บทที่หนึ่งร้อยเอ็ดทั้งหมดหันขวับมาด้วยความตกใจและความสนใจจากกองเพลิงเบื้องหน้าลงชั่วขณะเชษฐาร้องเรียกออกมาว่าน้อยแล้วกระโดดเข้าถึงตัวระพินทรงร่างนั้นอ่อนปวกเปียกของน้องสาวไปให้พี่ชายซึ่งรับไปประคองกอดไว้ชว ย, ยันกลับมาเรียกก็ปราดเข้ามาจับเนื้อตัวน้อยไปไหนไปแม่นานสาวเขย่าเรียกระล่ำละละัใบหน้านั้นขาวเผืด เงือผุดซึมไปตลอดทั้งดวงหน้ามือเย็นชืดลมหายใจรรวยลักษณะเป็นลมหมดสติคงจะเหนื่อยอ่อนเพลียมากน้อยกระกรรมหนักมากทีเดียวตลอดระยะสี่สิแปดชั่วโมงที่แล้วมารีบเอาขึ้นไปบนที่พักก่อนเถอะชัยยันพูดโดยเร็วอย่างร้อนใจเชถาอุ้มช้อนน้องสาวขึ้นมาในอ้อมแขนแล้วพาเดินกลับขึ้นไปบนที่พักทันทีมีชยันกับมาเรียตามติดไปด้วย ระพินไพยวันเริ่มมีกังวลเขายืนรีรอยอยู่ที่กองไฟกับพวกพรานพื้นเมืองอึดใจหนึ่งก็สั่งให้บุญคำกลับทุกคนทำหน้าที่คอยควบคุมกองไฟไว้ตนเองตามขึ้นไปอีกคนหนึ่งเมื่อขึ้นไปถึงที่พักพบว่าร่างของราชสกุลสาวนักพจนภัยถูกวางเหยียดยาวอยู่บนผ้าใบปูพื้นอันเป็นตำแหน่งที่ทุกคนใช้นอนเจตฐาชายันและมาเรีย กำลังทําหน้าที่ปฐมพยาบาลอยู่พี่ชายเป็นคนคลายเข็มขัดและเสื้อผ้าอันคับแน่นอยู่ให้ขยายหลวมออกมาเรียตรวจสอบอยู่ที่ชีพจรข้อมือส่วนชา ย, ยันปราบไปที่หีบเวชพันธ์ค้นอะไรายอยู่ครู่หนึง่งก็กลับเข้ามาพร้อมกับแอมโมเนียเปิดจุกออกลนให้ที่จมูกแทนใหญ่ ย, ยืนดูห่างออกไปเล็กน้อยมันพ้นหน้าที่ของเขาแล้วในเมื่อหญิงสาวตกอยู่ในมือของพี่ชายและเพื่อนผู้ใกล้ชิด ซึ่งดูแลเอาใจใส่อยู่แล้วคนเหล่านั้นช่วยกันอย่างกุลีกุจอมีเสียงพูดปรึกษาหารือคาดคะเนว่าดารินคงจะเป็นลมเพราะความอ่อนเพลียหมดแรงเกินกว่าที่ร่างกายจะทนทานต่อไปได้ครู่ใหญ่ทีเดียวก่อนที่ดารินจะสะดุ้งสำลักแอมโมเนียและขยับขยื่นกายขึ้นมาได้หล่อนพยายามเปิดเปลือกตาขึ้นท่ามกลางเสียงร้องเรียกเขย่าปลุกของสามคนที่รุมล้อมอยู่ น้อยรู้สึกเป็นไงบ้างพี่ชายจับปลายคางสั่นเบาๆถามซ้ำๆอยู่หลายประโยคอยู่ไม่อยู่มันก็หน้ามืดวูบไปเฉยๆกรับพี่ใหญ่หล่อนพูดแผ่วเบาแหบแห้งพงกศีสษจจะยันตัวขึ้นแต่พี่ชายกดไว้ให้นอนราบลงตามเดิมนอนพักก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งลุกขึ้นมาเลยหญิงสาวมองไปรอบๆตัวเต็ไมได้วยความอิดโรยหหยไหเฮีอ นี่น้อยหมดความรู้สึกไปนานไหมคะก็เราๆสิบนาทีเท่านั้นแหละน้อยเป็นไงสิบนาทีเหรอคะหล่อนทวนคำยกมือขึ้นลูบใบหน้านี่เรายังเผาร่างของมันไรและคำพิมายาวินอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับมันกำลังลุกไหมอยู่ก่อนตะวันตกดินคงจะกลายเป็นขี้เถ้าไปหมดแล้วครับระพินร้องบอกมาแล้วหันไปทางเชิฐาถามต่าๆว่า ตัวร้อนมีไข้หรือเปล่าล่ะครับหัวหน้าคณะจับแขนและเอามืออังหน้าผากน้องสาวแย่มากทีเดียวที่คนธรรมดาจะต้องมาทําหน้าที่ตรวจหมอซะเองก็พึมพำพร้อมกับยิ้มกร่อยๆความกังวลไม่สบายใจมองเห็นได้ชัดแต่ผมว่าน้อยตัวเย็นเกินไปหน่อยนะเจ้าตัวเองสันสีสั่ยกมือขึ้นโบจกจะกังวลไปเลยค่ะน้อยไม่ได้เป็นอะไรมากหรอก เพียงแค่เพรียหมดแรงเท่านั้นพักอีกครู่ก็คงหายกับพี่ใหญ่มาเรียจับมาที่ต้นขาบีบเบาๆในภาวะเช่นนี้ตาเขียวใสของแม่สาวเลือดยุโรปที่จ้องมาเต็มไปด้วยประกายรักคร้ห่วงใยเหมือนพี่น้องผิดกับอาการเยยยั่วหยิกหยอกเช่นที่ดารินเคยเห็นยามปกติเธอควรจะกินยาอะไรสักอย่างหนึ่งบอกมาสิยาอะไรฉันจะไปหยิบมาให้ ดารินยกมือบีบขมักหลับตาหนึ่งไปครู่ก็บอกชื่อยาให้มาเรียเพื่อนสาวต่างผิวผลไปที่หีบเครื่องเวชภัณฑ์โดยเร็วแล้วก็นำมาส่งให้พร้อมกับน้ำหล่อนกินยาเม็ดชุดนั้นพลางสะบัดหน้าแรงๆเหมือนจะเรียกกำลังอันอ่อนปี้อ่ให้กลับคืนมาปวดหัวใช่ไหมชายันถามมาบ้างดารินห่อตัวลงขนตามแขนลุกชันเป็นระลอก ไม่ปวดหรอกแต่มันตะคร่นตะครอหนาวๆยังไงชอบกลิ่บางทีออกแรงสักหน่อยจะหายได้กระมังว่าแล้วหล่อนก็ขยับจะลุกขึ้นยืนอีกครั้งด้วยกําลังใจอันทรหดแข็งแกร่งแต่อีกสามคนที่รุมล้อมอยู่ช่วยกันจับตัวไว้อย่าดีกว่าน้อยเธอไม่รู้ตัวเองหรอกว่ากําลังจะไม่สบายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาน่ะเธอขาดการพักผ่อนสะบักสะบอมหนักที่สุด อนอนพักซะดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเรียบร้อยไม่ต้องกังวลกับอะไรอีกแล้วนะมาเรียบอกหันไปรื้อกองสัมภาระหยิบผ้าผุยขึ้นมาห่มคลุมไว้เท้าถาประคองร่างน้องสาวลงนอนและพูดขอร้องมาอีกคนดารินจึงยอมนอนพักสงบนิ่งปิดตาลงตามเดิมเริ่มหายใจที่ขัดขัดและอาการสะท้านสัยิวตัวเป็นระยะของหล่อนทําให้ทุกคนที่เห็นอาการอยู่เริ่มกังวล ไม่สบายใจชยันพยักหน้าเรียกเชษฐากับระพินให้เดินเลี่ยงห่างออกมายังชายเพิงพักในขณะที่มาเรียนนั่งเฝ้าดวอาการเพื่อนสาวอยู่ใกล้ชิดตำแหน่งนั้นมองลงไปเห็นกองไฟที่เผาซากมันไรลุกเป็นเปลวแดงฉานพร้อมม่านควันดำพวกพลานพื้นเมืองทั้งหมดยังง่วนอยู่กับการสุมฟืนโหมใส่เข้าไปแดดยามบ่ายจัดอ่อนแสงลงเป็นลำดับ ตะวันกําลังจะจมลงสู่ซอกสไลดและอีกชั่วไม่นานนักราตรีอันดำสนิทและเยือกเย็นก็จะย่างเข้ามาแทนที่อาการของน้อยทําท่าจะไม่ดีนักนะอดีตนายทหารปืนใหญ่เอ่ยขึ้นแผวเบาหน้าเคร่งก็เป็นหมอเองอยู่แล้วถ้าหมอเกิดลม้ลมลงไปเช่นนี้เราจะทํากันยังไงดีใครจะรักษาหมอเชษฐานิ่ง เพราะคิดอะไรไม่ออกในขณะ น, นี้เขาเองก็กำลังเป็นทุกข์อยู่เช่นเดียวกับชัยยันรวมทั้งอาการหวาดระแวงไปต่างๆนานาโดยที่ไม่กล้าเอ่ยออกมาแต่ะพินไพรวันตอบด้วยข้าวหน้ายากจะอ่านความรู้สึกได้ว่าผมว่าเราอย่าเพิ่งวิตกอะไรไปก่อนนะครับคุณชัยยันดูอาการคุณหญิงไปก่อนอาจไม่เป็นอะไรมากก็ได้นะครับคุณคิดอะไรอย่างผมหรือเปล่าเนี่ยชยยันถามไม่เต็มเสียงนัก คิดไรครับงานของเราสำเร็จดิบเบียบรอยลงร่างของมันไตรกับคัมพีอุบาทนั่นกำลังจะถูกไฟไหม้กลายเป็นขี้เถ้าแต่เล็กน้อยกลับมีอาการไม่ค่อยจะเข้าท่าขึ้นมาเสแล้วจอมพรานหันไปทางร่างของหญิงสาวซึ่งนอนนิ่งอยู่ภายใต้ผ้าคลุมมีมาเรียนนั่งดูอาการใกล้ชิดอยู่ข้างๆผมว่ามันเป็นเหตุการณ์บังเอิญใช่มากกว่านะครับ คุณหญิงกลกกรรมหนักเกินกว่าสภาพร่างกายจะทนไหวถูกมันจับตัวไปกักเป็นเฉลยไว้ตลอดทั้งคืนพอหนีรอดออกมาได้แทนที่จะพักผ่อนก็ต้องไปบุกบันหนักอยู่กับพวกเราอีกคืนกับครึ่งวันเต็มๆโดยไม่มีเวลาพักเลยที่เธอทนมาได้ก็ด้วยกำลังใจอันทรหดเท่านั้นรวมทั้งจิตนาอย่างแน่วแน่กล้าแข็งในอันที่จะทาลายล้างมันใจ ล, ลงให้ได้พองานลูล่วงลง ความอดทนของเธอก็มาถึงจุดสุดท้ายอาการทั้งหลายมันก็เลยสำแดงรีดขึ้นให้หลับพักสักตื่นผมเชื่อว่าอาการของเธอคงจะดีขึ้นนะครับฉันก็คิดว่ามันคงจะเป็นอย่างที่รพินพูดนะสุภาพบุรุษในราชสกุลผู้เป็นหัวหน้าคณะเสือมาเบาๆพยายามซ่อนแววกังวลไว้เราก็อย่าเพิ่งวิตกวิจาร์อะไรไปก่อนเลยน้อยเก่งมามากแล้ว มันก็มีเหตุผลพอสมควรที่เขาจะต้องเป็นฝ่ายล้มลงซะบ้างร่างกายคนเรานี่ไม่ได้ทำด้วยเหล็กไหลแล้วไม่มีใครโชคดีเสมอไปหรอกประโยคสุดท้ายเชษฐากล่าวปนหัวเราะเพื่อที่จะให้เห็นเป็นเรื่องขบขัน ไม่สบายธรรมดานะมันเรื่องเล็กแต่ฉันบอกตามตรงนะว่าไม่ไว้ใจอะไรสักอย่างในภาวะเช่นนี้เนะี่ยเห็นฤทธิ์ไอ้ผีนรกนั่นจนเสีแยงเข้าไปถึงกระดูกดำแล้วอาการของน้อยนะ่อาจจะเกิดขึ้นจากอำนาจลี้ลับอะไรของมันหรือมิฉะนั้นก็คำพิุบาทที่เรากำลังเผาอยู่นั่นก็ได้เราไม่ควรจะมองข้ามและรีบหาทางป้องกันแก้ไขซะก่อนที่จะสายนะสมมติว่าเสียงของชยยันแผ่วหายไปยิ้มกร่อย พลยักไกลพูดค้างไว้เฉยๆแค่นั้นเองจนสหายของเขาใช้สายตาเตือนมานี่แคคิดจะพูดอะไรก็พูดมาให้จบเถิดชยันนึกซะว่าเราหารือกันดีเหมือนกันในการที่จะมองอะไรให้ลึกซึ้งความประมาทและมองข้ามนะ่ะมันทําให้เรายุ่งยากมาหลายครั้งแล้วคุณชัยันสังหรณ์อะไรหรือครับจอมพรานถามมาอีกคนหนึ่งนี่พวกเราสังเกตกันบ้างไหม ชายันตอบไม่ตรงคำถามนักลักษณะภายนอกทั่วๆไปแม้จะดูว่าน้อยกล้าหาญแข็งแกร่งทรหดก็จริงแต่ในด้านพลังจิตแล้วดูเหมือนว่าเขาจะอ่อนไหวกว่าทุกคนในคณะดวงจิตของเขามักจะปลอดว่างอยู่บ่อยครั้งนี่เป็นลักษณะของคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวช่างคิดช่างฝันประเภทพวกโรแมนติกอะออแล้วยังไงที่ฉันยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของแกนะ ฉันเองก็ไม่ใช่นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์หรอกแต่ขอสันนิษฐานตามหลักเกณฑ์ที่มักจะเห็นอยู่ทั่วไปนะนี่ไม่เห็นน่ะน้อย ม, มีสัญชาติญาณในการรับรู้ทางจิตสัมผัสได้มากกว่าพวกเราทุกคนมันออกมาในรูปสังหรนบ้างความฝันบ้างบางทีก็นึกวูบขึ้นมาเฉยๆสองครั้งมาแล้วนะที่เราเห็นกันอย่างชัดเจนว่าจิตของเขาถูกครอบงาโดยอานาจลึกลับที่เขาเองก็ปราศจากสานึก ครั้งแรกน่นนางไม้เข้าสิงทำให้เขาลุกขึ้นกลางดึกขณะนอนอยู่ในแคมป์ปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนยอดไม้สูงเล่นะพวกเราต้องตามชักแทบแย่ครั้งที่สองก็คือเมาาื่อวันซืนนี่เองไอผีดิบมันไดก็ส่งกระแสจิตของมันเข้ามาสะกดเขาเรียกให้ออกไปสู่ความเป็นเฉลยตกอยู่ในกำมือของมันสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นได้เลยนะว่าดวงจิตของน้อยอ่อนแอเป็นเป้าหมายให้อํานาจจากภายนอกหรือโอกาสแทรกแซงครอบงําได้โดยสะดวก เช่าหันไปมองตาพรานใหญ่แล้วแปรสายตามาจ้องอยู่ที่ชั ย, ยันอีกครั้งผงกหัวลงยิ่งกระวนกระวายร้อนใจเพิ่มขึ้นฉันเห็นด้วยนะในข้อนี้แล้วยังไงละ่ะก็สมมติว่าคืนนี้ขณะที่พวกเรานอนอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าตกดึกทุกคนหลับสนิทหมดแล้วน้อยก็แอบลุกขึ้นมาเอามีดเชือดคอพวกเราทีละคนแล้วเราจะทำยังไงคิดกันบ้างหรือเปล่าในข้อนี้ เสียวบ้างไหมเฮ้ยเชิดถาสดุง้งหยงกูทานลั่นออกมาผมเข้าใจแล้วครับพ่านใหญ่พูดแผ่วต่ำก้มศีรษะลงนี่คุณชยันหมายถึงว่าวิญญาณร้ายของมันไรอาจรอคอยจังหวะเข้าครอบงำคุณหญิงแล้วยืมมือคุณหญิงให้ก่อความพินาศแก่พวกเราใช่ก็โดยถือโอกาสในขณะที่น้อยกำลังไม่สบายดวงจิตมีพลังอ่อนที่สุดเข้าแทรกแซงโดยง่าย คิดให้ดีสิมันอาจเป็นเพราะโรคประสาทตาขาวของฉันก็ได้นะที่เราแวงไปเช่นนี้แต่กันไว้ดีกว่าแก้ไม่ใช่เหรอท่านน้อยปกติแข็งแรงดีก็ไปอีกอย่างหนึง่งนี่เขาก็แสดงอาการให้เห็นอยู่แล้วนี่ชายันกล่าวต่อมาโดยเร็วอ่ะแล้วถ้าเราสงสัยอย่างนั้น่ะโดยจะหาทางป้องกันยังไงล่ะท่านหัวหน้าคณะถามแล้วหัวเราะเสียงพิกลยักไหลต่อมาว่า หวังว่าแกคงไม่แนะนำให้เอาผ้ า, ายันของตาบุญคำไปวางโปะไว้ที่ตัวน้อยในระหว่างที่เขาหลับอยู่นะเป็นตายร้าดียังไงข้อนี้ก็ต้องขอยับยั้งไว้ก่อนนะพอตึงขึ้นมาเห็นผ้ า, ายันนั่นเข่าน้อยคงเอาเรื่องคนต้นความคิดถึงตายทีเดียวชายันกับประพินพลอยหัวเราะออกมาด้วยความขบขันโดยไม่ตั้งใจเพราะคพูดของเชษฐาเรื่องนี้นะเราเห็นจะต้องฟังความเห็นของพรานใหญ่เขาดูละ ชายันโยนไปให้ระพินผมเองก็เห็นจะต้องโยนต่อไปให้บุญคนะําน่ะเพราะแกชํานาญในเรื่องนี้มากกว่าผมว่าแล้วจอมพรานก็ป้องปากตะโกนเรียกบุญคําตาพรานเท่ากําลังยืนเอามือเอาผ้าขามาเช็ดเหงื่อโชบอยู่เพราะเหลียวมาเห็นระพินกวักมือเรียกก็เดินไตเนินขึ้นมาโดยเร็วยังไม่ทันที่สามคนจะพูดอะไรขึ้นแกก็ถามซะก่อนแล้วว่านายหญิงเป็นอะไรหรือเปล่าครับ เทถาอธิบายให้ทราบถึงอาการพรานเท่ามองชะเง้อไปที่ร่างของดารินรู้สึกตัวหรือเปล่านายหรือหมดสติไปเลยแกถามไปทางระพินก็รู้สึกตัวเหมือนกันนะนะแต่ลุกขึ้นมาไม่ได้หมดแรงนายหญิงเป็นหมอเองนะบุญคานะ่ะไม่ใช่หมอแกพึมพำรรยกมือขึ้นเกาหัวเบ า, เบา แต่คงไม่เป็นอะไรมากแล้วมั้งว่าแต่นายเรียกบุญคำมาทำไมล่ะนี่บุญคำชัยยันเป็นคนพูดจับไหลอันบอบบางของตาเท่ากระดูกเหล็กไว้เราไม่พิตกในอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของนายหญิงหรอกนะเพราะพอจะรักษากันได้แต่เราเป็นห่วงว่าระหว่างที่นายหญิงนอนไม่สบายอยู่นี่อาจมีอาการผีซ้ำดั้พลอยขึ้นมาแล้วก็ทำความยุ่งยากขึ้น มีทางใดที่จะช่วยป้องกันไว้บ้างไหมแล้วนายใหญ่ก็ประกาศไว้ก่อนแล้วด้วยนะว่าถ้าขืนเอาผ้ายันของบุญคำไปเป็นเครื่องรางให้นายหญิงแล้วก็บุญคำจะถูกเตะระพินรีบบอกดักหน้ามาสัก่อนโดยเร็วบุญคำอ้าปากแล้วหัวเราะ ก, กากออกมางอหายโอ้ยไอ้นั่นมันของสกโปรลกน่ายเขาใช้กับผีไม่ได้ใช้กับคนหรอกแลวบุญคาก็ไม่ได้เก็บไว้แล้ว เผาก็ไปพร้อมกันในกองไฟมัตติกี้นี่หมดแล้วผีซ้ําดําพลอยนะ่ะมันไม่ยากหรอกนายใหญ่อานาจพระพุทธคนนะุณน่ะคุมได้สบายมากแล้วคืนนี้บุญคําก็จะทําพิธีสร้างเป็นปริมณฑลขึ้นล้อมเขตที่พักของเราไว้ผีสางแม่นางโก้งนะ่ะไม่ว่ามันจะร้กาศสักแค่ไหนรับรองไกลล้ําเขตเข้ามาไม่ได้หรอกว่าแล้วแกก็เดินตรงเข้าไปยังร่างของดาริน ซึ่งกำลังนอนอยู่โดยเร็วทั้งสามคนตามเข้ามาด้วยพอถึงตัวแกก็สุดลงนั่งเอามือล่วงลงไปในอกเสือ้อควานหาอะไรอยู่ครู่หนึ่งก็งัดเอาท้ายเล็กๆขนาดหัวแม่มือดำปูป่ปีจนแทบจะดูสีสันเดิมไม่ออกซึ่งมีเข็มกลัดซ่อนปลายอันโตติดอยู่ด้วยออกมายกขึ้นจบเหนือสีสักสีคถาหรือมิฉนั้นก็บริกรรมภาวนาทำปากหมุบมิบอยู่ครู่ ก็ส่งไปให้มาเรียผู้นั่งมองทำหน้าตื่นไม่รู้เรื่องอยู่พร้อมกะ บ, บอกเป็นภาษาพม่าว่านายแมมช่วยกลับนี่ติดไว้ที่อกเสื้อนายหญิงทีครับอะไรนะบุญคำแมมสาวถามรับมาดูเอาเือหน้าของดีนายหญิงจะได้หายจากไม่สบายเร็วๆครับมาเรียมีสีหน้าประหลาดใจหายเร็วก็ต้องกินหรือฉีดยาสิบุญคำ โรภัยไข้เจ็บไม่สามารถจะรักษาหายได้ด้วยอำนาจของหมอผีรอกเฮ้ยฝลังนี่ตาพรานเท่าเกาหัวยิกยิกร้องลั่นออกมาเป็นภาษาไทยเมืองการดั้งเดิมของแกเชษฐากะชายันไม่เข้าใจภาษาที่แกพูดโตอตอบกมารีมาก่อนเพิ่งจะมาฟังรู้เรื่องเอาก็ตอนที่ตาเท่าอุทานออกมาเสียงเนือหัวรอกกึกๆึกคราวนี้มาเรียงงงบ้าซอยเปลือกตาทีทีหันมาถามชายันบ้า ตาแกสับ ป, ปเดินนี่พูดอะไรถ้าแกบอกให้คุณกลับสิ่งนั้นให้กันน้อยคุณก็จงทําตามที่แกสั่งเธอเม่ตาแกสั ป, ปรเดินของคุณน่ะแกโมโหขึ้นมาแล้วล่ะก็แล้วอะไรแล้วเนี่ยมาเรียยังสงสัยต่อไปก็คงจะเป็นพระเครื่องรางสําหรับในด้านกําลังใจและคุ้มภัยมืดก็ไม่เกี่ยวกับรักษาพยาบาลหรอกเยสแมมสาวหันมาเบิกตาโต เอียงคอถามย้ำเอากระบุญคำด้วยเสียงสูงอย็บเย็บใหญ่ใยับยบยุ่งชิบหายเลยแหม่นี่ตาเท่าลงคอเสียงหนักหนักทำเสียงล้อเลียนแล้วย่นจมูกหลอกให้บนอะไรพึงแม้จะอยู่ในอาการไม่สู้สบายใจนักแต่เชิดากัญชัยันก็หัวเราะสะงอหายแทบจะลืมเรื่องอื่นหมดมาเรียมองหน้าตาเท่าด้วยสายตาฉงนกึ่งฉิวแต่ไม่รู้เรื่อง จัดการเอาไท้ายเล็กๆนั่นกลับติดกระอกเสื้อของดารินทางด้านในนักมานุษยวิทยาสาวอยู่ในอาการเคลิ้มเคลิมทว่าก็พอที่จะรู้สึกถึงความแปลกปลอมนี้ได้ยกมือขึ้นคลำที่อกเสื้อตัวเองพูดพึมพำอยู่ในลําคอทั้งทั้ที่ยังหลับตาอยู่อะไรนี่ใครเอาอะไรมาให้ฉันพระเครื่องรางน้อยเชิดถาก้มลงไป กระซิบบอกที่ริมหูน้องสาวบุญคำเอามาให้น้อยติดตัวไว้ริมฝีปากของหลอนขยับหมุบมิบเหมือนจะพูดอะไรต่อไปแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆผ่านออกมาเป็นถ้อยคำแล้วพยักหน้าคล้ายๆจะรับทราบโดยดีตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างละน้อยชา ย, ยันก้มลงมาถามบ้างง่วงอยากนอนอ่ะถ้างั้นก็นอนให้หลับเถอะไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิน้น เวลาเท่าไหร่แล้วหลอนพูดเกือบไม่มีเสียงเกือบห้าโมเยน็นน่ะละพวกเราอยู่กันครบเลยทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมเชิดถาชยยันและรพินมองหน้ากันชยยันแอบกระซิบกับสหายกองเขาว่าเอ๊นี่เพ้อหรือเปล่าก็ไม่รู้สิแล้วจ้องใบหน้าอันหลับตานิ่งนั้นขมิง เชิดาเม้มริมฝีปากเบาๆเอื้อมมือไปจับหน้าผากและซอกคอของน้องสาวอีกครั้งทางพูดอย่างอ่อนโยนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยจะน้อยพวกเราอยู่กันครบหมดทุกคนซากมันไรกาคำภีมายาวินก็กําลังจะไหม้เป็นเท่าไปหมดแล้วน้อยนอนสัเถอะนะตื่นขึ้นมาก็จะดีเองแง้ทา ย, สายเสียงแผ่วเบานั้นดังลอดริมฝีปากออกมาอีก กลับคืนมาแล้วหรือยังทุกคนนิ่งอึ้งไปด้วยความรู้สึกประหลาดไม่อาจตอบคําใดได้ไดพรานใหญ่เคลื่อนเข้าไปใกล้แล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้าเสียงลึกชัดเจนของเขาคุณหญิงครับผมแน่ใจครับว่าเราจะต้องได้ตัวแงาายคืนมาพร้อมกับแผนที่เดินทางของเราในสภาพที่เรียบร้อยเร็วๆนี่แหละครับขณะนี้คุณหญิงไม่สบายโปรดพักเสเดอนะครับ ลอยทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นหน้าที่ของผมและพวกเราทุกคนดีกว่านะครับดารินพยักหน้าอีกครั้งถอนหายใจแรงแล้วก็สง บ, สงบไปทั้งหมดยกเว้นมาเรียฮอกมันถอยออกมายังปากเพลงพักอีกครั้งบุญคำสังเกตเห็นสีหน้าแสดงความเป็นทุกข์กังวลของเชษฐากับช ย, ยันได้ชัดก็เร่เข้ามานายใหญ่กับนายทหารไม่ต้องกลัวหรอกบุญคารับรองว่า นายหญิงจะไม่เป็นอะไรไอ้มันไรนะ่ะหมดสิ้นฤทธิเดชลงแน่นอนแล้วละมันย้อนกลับมาทําอิทิรทิตอย่างใดไม่ได้อีกคนอื่นๆไม่สบายนะนายหญิงรักษาได้นะบุญคำแต่ถ้านายหญิงไม่สบายซะเองพวกเราไม่รู้จะรักษายัางไงเรากําลังยินดีในชัยชนะที่ปราบมันไรและความอาถรรพ์ทั้งปวงของนิทรานครลงได้แต่แล้วก็กลับจะต้องมาทุกข์กังวลอยู่กับอาการของนายหญิง ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะหนักหนาสักแค่ไหนมันเป็นชัยชนะที่ไม่ทำให้เราเป็นสุขหรือปลอดปลงใจนะครอกเชีดฐาตอบเคร่งขรึมแล้วควักซิก้าออกมาจุดสูบนั่งลงที่หินก้อนหนึ่งหน้าที่พักตำแหน่งนั้นเขาสามารถจะมองเข้าไปเห็นน้องสาวที่นอนสงบนิ่งอยู่แล้วมองลงไปเห็นภาพกองเพลิงเบื้องล่างได้ทั้งสองทางเพียงแต่จะเหลียวไปทางใดเท่านั้น ระพินก็สั่งให้บุญคำจัดการก่อกองไฟขึ้นยังบริเวณที่พักโดยเร็วเพื่อเตรียมรับราตรีอันหนาวเย็นที่กำลังคืบคลานใกล้เข้ามาทุกขณะรวมทั้งให้รีบต้มน้ำนเตรียมสำหรับคนป่วยด้วยส่วนตนเองบอกขอตัวกับหัวหน้าคณะและช ย, ยันบอกว่าจะลงไปดูกองไฟเผาสากบตรไข้างล่างแล้วก็ปลีตัวเดินดุ่มลงจากเนินที่พักไปคงทิ้งให้เชษฐานั่งสนทนาหารือกันอยู่ลำพัง เดิมีบุญคำง่วนกับการก่อไฟใกล้ๆ ก, ก่อไฟเอาน้ำขึ้นตั้งเสร็จสับบุญคำก็เลี่ยงตามชัยยันออกมาพอเห็นห่างไกลจากเชิดทาก็กะลิ้มกะเลียเข้าไปใกล้ว่าไงนายทหารของที่บุญคำสั่งไว้นะ่ะได้มาหรือเปล่าชัยยันกับพริบตางงย้อนถามมาว่าอะไรตาเท่าจุปากเบา นายทหารก็ลืมแล้วสินี่ของดีของไอ้เสือหินนั็นยังไงละ่ะโธอุตส่าสั่งแล้วสั่งอีกนะชั ย, ยันนึกขึ้นมาได้หัวรอกกากตบไหลาตาพรานเท่าเบาๆโอ้นึกออกแล้วไม่ได้ลืมรอกบุญคำาล้วไหนละ่ะเอาให้บุญคำด็วสิแกยิ้มแป้นออกมาได้รีบแบมือชา ย, ยันยิ่งหัวเราะดังขึ้นไม่มีฉันหาดูแล้วแต่หาไม่พบ หินน่มันถล่มลงมาทับหนักหลายตันเห็นแต่หัวของมันกิ่งกระเด็นออกมาจากใต้กองหินนอกนั้นส่วนอื่นๆหินภูเขาทับไปหมดค้นไม่ไหวหรอกบุญคำถอนใจเฮือโคลงหัวช้าๆบุญออกมาอย่างเสียดายว่าเสร็จกันศูนย์เปล่านี่ถ้าบุญคำไปด้วยนะบุญคำก็ต้องพยายามค้นหาจนได้นั่นแหละโถนายทหารนี่ไม่เอาไหนเลยชวดของดีไปเปล่า ชายันกงหัวรอกเ ก, กๆออยู่เช่นนั้นตาเป็นประกายมองดูตาพรานเท่าอย่างรักใคร่ศพอารมณ์อะนายบุญคำลองบอกหน่อยสิไอ้ที่ว่าจะทำของดีให้นะ่นะมันดียังไงเพื่อยังไงแล้วบางทีฉันอาจจะชวนบุญคำไปช่วยกันหาใหม่สองคนไงตาเท่ากระดูกเหล็กมือขวาของระพินชำเลืองไปรอบรอบตัวเมื่อเห็นว่าเชษฐานั่งอยู่ห่างและไม่ได้มีอาการสนใจอะไรกับอาการกระซิบกระซาบของตน ก็ยกหัวแม่มือให้ชัยยันนี่นายทหารเรื่องผู้หญิงแล้วอย่างนี้เลยทา้าพนันได้อย่างนี้นะมันยังไงอะชัยยันกระซิบบ้างแสดงท่าสนใจเต็มที่ก็ใช้เป็นอาวุธสินายทหารอาวุธปราบแม่พวกสุวรรณบุพชาทั้งหลายไงต่อยแม่ร้าน ไ, ไฟ เลี้ยงไม่เชื่อสักขนาดไหนโถ่เอ้ยเจอเขาปั๊บเดียวเขาออนซิโรราบลงเกาะขาเราไม่ไปร้านกับใครอีกรอกฮจริงๆนายบุญคำทําท่าขึงขังชํำเลืองไปทางมาเรียฮอฟมันเหมือนจะรู้ความในอะไรมาก่อนแล้วยักคิ้วกับชายันบุยปากอีแบบเมียนายเขาเหลืองนั่นแหละนายดีนักแล้ยังนายทหารเนี่ย บุญคํำไม่ประมาทหน้าหรอกแต่กล้าท้าพนันว่าคบไม่อยู่แม่นะ่ยยังกมามเทศเหมือนเหมือนกับเพลงที่เขาว่ามาหาสมุทรสุดลึกนั่นแหละโอ้หมดสายดิงก็ยังบะถึงเกิดเป็นลูกผู้ชายไทยๆอย่างเราเรานะ่ะต้องมีทีเด็ดนายทหารต้องเป็นิธิ์มีครูโอ้ยมั่งนายคงเคยต่อยมวยไม่ใช่หรอรักจะแบกน้าหนักคู่ต่อสู้นะ่ะเราต้องมีหมัดเด็ด ขีม้าเถิดก็ต้องถึงสเปอร์และแท่ไม่งั้นถูกสลัดลงมานอนแอ้งแมงชยันพนมมือลืมตาโตพับพาสินี่เห็นจะต้องเรียกพระอาจารย์ซะแล้วชักเลื่อมใสฮะบอกหน่อยสิถ้าได้มาแล้วนะ่ะเอามาทำยังไงแล้วใช้ยังไงตาเท่าเจ้าเล่หัวรอกคิกกักรีตายชยยันอีกครั้งหนึ่ง สบัดผ้าเขามาปัดลายพืพับนายไม่ต้องเอามากรกแค่ส่วนปลายของมันตัดสั้นองคุลีเดียวเอามาปลูกเสกลงเลขยันรอยได้สายศินผูกเอาไว้ยามปกติหมุนเอาไปห้อยไว้ข้างหลังกันสัตว์ราวุธเขียวงาสารพัดชนิดยามจะทำสึกกับผู้หญิงหมุนเอามันมาห้อยไว้ข้างหน้ามีคาถากำกับอยู่เพียงแค่สีตัวเท่านั้นแหละ ฮ่าขุนแผนก็ขุนแผนฮะนายเกิดเป็นชายชาญสมรนฝีปากดีอย่างเดียวนะไม่เป็นเรื่องรอกต้องอาวุธดีด้วยนี่ไม่รักกันจริงแล้วก็บุญคำไม่บอกนายทหารหรอกชา ย, ยันจับข้อมือตาเท่าไว้พูดเร็วปือนี่ทางนั้นคืนนี้เวลาพวกเราน อ, นอนหลับกันหมดแล้วบุญคำย่องไปที่นั่นกะชั้นสองคนช่วยกนายได้ไมคราวนี้บุญคาสะดุ้งอยู่ยิ้มแย่ เฮ้ไต่กันคำคำมืดๆจะดีนะไอ้ป่าโธ่กลัวอะไรไอ้กลัวนะไม่กลัวรอกแกพูดอ่อยๆแต่เดี๋ยวพรานใหญ่จับได้พวกบุญคําพานายทหารไปที่นั่นตอนกลางคืนแกคงเหยิยบบุญคําแบรนตัะแต่แตอะงั้นพรุ่งนี้เช้าล่ะเราไปหากันในตอนกลางวันก็คงได้นี่นะบุญคําสั่นหัวอีกบอกมาหน้าตาเฉย ถุงีชาวไม่ได้รอกไนาทหารมันต้องหายไปแล้วตามธรรมเนียมของดีทั้งหลายนะ่ะถ้าจะเอาก็ต้องรีบเอาซะเลยปล่อยชาไปนะ่ะมันหายไปได้เฮาช่างมันเถอนะนาทหารอย่าไปสนใจกับมันอีกเลยค่อยหาเอาใหม่แล้วกันว่าแล้วแกก็หมุนตัวกลับขยับจะผละเดินไปแต่ชา ย, ยันคว้าแขนไว้ได้ทันกระชากไว้โถประเดี๋ยวต่อยเปรียงเลยตาคำนี่หลงฟังฝอยจะตั้งนาน เพิ่งมาจับได้เดี๋ยวนี้เองว่าแกล้งหลอกเล่นนั้นแหละบุญคำปั้นหน้าตายขมวดคิว้วอ้าวนี่นายทหารไม่เชื่อบุญคำก็แล้วไปสิบุญคำไม่โกหกหรอกพอโทก็สั่งไปยังดิบดีแล้วอ่ะนายทหารอยากหามไม่ได้เองทําไมอ่ะแล้วตอนนี้จะย้อนกลับไปหาอีกมันก็ไม่มีประโยชน์ซะแล้วชยันอดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้จ้องตาแก่ขมิงเหมือนจะสํารวจค้นหาออกมาให้ได้วะ่ะ ตาเท่าเจ้าโกลเม็ดวางอุบายต้ม อ, อะไรเขาหรือเปล่ายังไงก็ตามเขาก็รักในความคล่องงานฉลาดและแก่นแก้วตลกโลนของสมุนขวาของระพินคนนี้มากกว่าทุกคนยังคิดอยู่เสมอว่าถ้าคณะเดินทางขาดบุญคำสักคนนึงก็คงจะกร่อยเงียบเงาลงอีกไม่ใช่น้อยและเขาก็ชอบที่จะคลุกคลีวิสาสะกับแกอยู่เสมอ ตามปราษาที่ตนเองก็เป็นคนรักสนุกโปกฮาอยู่แล้วก็น่าแปลกดีเหมือนกันที่คณะของเขามีแพทย์หญิงดารินวราฤทธิ์เป็นหมอแผนปัจจุบันประจำคณะแล้วก็มีตาบุญคำผู้ถนัดไปในทางตรงข้ามดำรงตำแหน่งหมอผีเจ้าพิธีการไสยศาสตร์ทุกชนิดจะมองข้ามความบา้บาบอของแกไปซะเลยก็ไม่ได้นักทนหลายต่อหลายครั้งก็พิสูจน์ออกมาแล้ว ว่าทุกคนต้องพึ่งพาพิธีทางไสยศาสตร์ของแกอยู่เหมือนกันสิ่งที่ชัยยันชอบเป็นพิเศษก็คือความกะล่อนกลิ่งไปได้รอบตัวของแกซึ่งช่วยให้ทุกคนคลายอารมณ์ตึงเครียดลงและแกก็ชอบที่จะมาเล่นหัวพูดจาหยอกยาวเขาอยู่เสมอเอาละ่ะถึงยังไงฉันก็เลื่อมสายบุญคำอยู่ไม่น้อยสำหรับเรื่องแบบนี้นี่ถ้ายังไงแล้วก็รับฉันเป็นลูกศิษย์กคนนะ มีอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องอย่างว่าแล้วก็ถ่ายทอดให้มั่งเขาพูดยิ้มยิ้มอ้าวทางนั้นก็ต้องมีค่ายกครูสินายทหารตาเท่าเริ่มสำแดงลวดลายค่ายกครูอะไรมั่งละ่ะอ๋อไม่มากหรอกนายทหารเหล่าขาวสวักขวดก็พอแล้วเหล่าขาวนะ่ะถ้าไม่สมเกียรติยศของนายทหารจะเปลี่ยนปเป็นเหล่าฝรั่งบุญค้ำก็ไม่ขัดข้องนะ แถมได้ลูกแต่อีกสักบ้าไปยังไงมามาไม่รับครูของบุญคำไม่ชอบลูกแต่เอาแค่เล่าก็พอนายทหารนี่ไหนว่าเราจะทำพิธีขีดเส้นล้อมที่พักนอนในคืนนี้กันไม่ให้เพศภัยใดๆกล่อกไกลเข้ามาไม่ใช่ละแล้วลนี่เมื่อไหร่จะลงมือฉันจะได้ดูด้วยต้องรอยค่ำตะวันตกดินซะก่อนนายทหารความจริงทางด้านศยศาสตร์เวทมนต์นี่ บุญคำก็เก่งสารพัดนะแต่ฉันเคยรู้มาว่าครั้งหนึ่งตอนที่บุญคำตามกระทิงลำบากเข้าไปในหุบหมาหอนพร้อมกับพรานใหญ่ตอนเย็นพรานใหญ่ล้มกระทิงตัวนั้นได้เพราะตกดึกของคืนนั้นบุญคำก็ลุกขึ้นมาคลานสีขาเป็นกระทิงขู่คำรามลั่นไล่ขุิดพรานใหญ่เป็นพลวันจนเขาต้องตกเสลงไปนอนคว่ำแล้วจับเอายากรอกให้อาเจียนออกมาจึงสงบลงได้ พอรุ่งเช้าปรากฏว่าบุญคําหายเป็นปกติแตนไม่รู้เรื่องที่ตัวเองเกิดวิกลตวิการขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยและไหนว่าเราเก่งจริงยังไงอ่ะเวทมนต์คาถาอาคมเต็มตัวทํำไมถึงมีอันไปอย่างนั้นไปได้บุญคํายิ้มแย้แยหัวร้อน <c oughs> นี่นี่นายไปรู้เรื่องนี่มาจากไหนล่ะเนี่ยก็พรานใหญ่เองนั่นแหละเคยเล่าฉันฟงังจริงหรือเปล่าละ่ะโถนายทหาร คนเรานะ่ยต่อให้เก่งแค่ไหนมันก็มีทีเ่เผลอนมยามปลอดด้วยกันทั้งนั้นแหละนายแกเลี่ยมตอบไม่ตรงคำถามอีคืนนั้นนะบุญคำบังเอิญบังเอิญไม่สบายพระเจ้าเครื่องร้างอะไรอะไรก็ไม่ได้มีติดตัวอยู่ด้วยเลยมันก็เลยมีอันเป็นไปโถหม้องูยังถูกงูกัดได้นี่หมอผีก็ถูกผีเล่นงานได้เหมือนกันละนายทหารถ้าเผลอบุญคาเสียท่ามันครั้งเดียวเท่านั้นแหละ เพราะประมาทไปหน่อยตั้งแต่นั้นก็เลยถือเป็นบทเรียนเตรียมพร้อมระวังตัวอยู่เสมอหรืออย่างนี้นะไม่ได้หรอกนะนายถ้าถือก็ต้องถือให้เคร่งจริงๆไอชนิดทําเชื่อบ้างไม่เชื่อมั่งเลเพล่าดผ้าจังหวะเหมาะทีเะ่เผลอมาเล่นงานโอ้แย่ดีเดียวในายทหารไอคืนที่เกิดเหตุอย่างว่านะบุญคําละเลยคําที่ครูพรานของบุญคําเคยสอนไว้ไม่ได้ทําพิธีให้ถูกต้อง ไอ้ตามปกติและสัตว์ใหญ่ทุกชนิดถ้าล้มลงได้ทำเนียมพรานนะ่ะเขาต้องมีพิธีสะกดไม่ให้ไม่ให้ขวงของมันนะ่ะย้อนกลับมาทําพิษเล่นงานเราได้วันนั้นบุญคําไม่ได้ทําพิธีสะกปดมันไว้ก็ไม่สบายมาตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วก็เลยหลงห ล, ลงลืมลืมไอ้กระทิงผีหาตัวนั้นมันก็ร้ายกาดนะ่ะบุญคํากับพรานใหญ่เกือบแหลกเหลวไปด้วยกันกว่า จ, จะเอามันอยู่ พอล้มมันลงได้บุญคำก็นอนจับไข่เลยมันถึงได้เกิดเรื่องราวอย่างว่าขึ้นอะไรนะที่พูดตะกี้นี่นะ่ะไอ้ขวงน่ะมันหมายถึงอะไรชายันขมวดคิ้วอย่างสงสัยถามมาโดยเร็วอา้าวนายทหารขวงก็คือผีหรือวิญญาณของสัตว์ที่เรายิงตายนั่นไงธรรมเนียมพรานป่านะเขาถือว่าสัตว์ทุกชนิดนะ่ะมีขวงทั้งนั้นหละ ขูงที่ประจําตัวสัตว์แต่ละชนิดนะ่ยมันจะร้ายแรงร้ายกาดขนาดไหนนะ่ยขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของสัตว์ยิ่งสัตว์ใหญ่สัตว์ร้ายเท่าไหร่ขูงก็ยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นไอบ้บางตัวพอถูกปืนล้มจมูกทิ่มดินขาใจตายเท่านั้นแหละขูงของมันก็ออกจากร่างแล่นเข้าสวนใส่คนยิงทันทีทําไม่มีอันเป็นไปต่างๆไม่สบายบ้างเป็นบ้าไปบ้าง ก็อย่างที่หกน้องน้ำแห้งน่ะมีอยู่คนหนึ่งชื่อตาอน้นถูกขวงกวางเล่นงานจนกระทั่งเสียคนบ้าบาบอไปจนทุกวันนี้แหละนายทหารเป็นยังไงที่ว่าบ้า บ, าบานะ่าอะก็อยู่ตามปกติแล้วก็ดูไม่ผิดสังเกตอะไรหรอกก็เหมือนคนดีๆเราเร า, เรานี่แหละแต่ถ้าเฝ้าดูแกให้ดีๆแล้วจะเห็นว่าแกเดินไปได้สักสิบยี่สิบเก้าก็จะโดดโยงร้องเปิบเป ขึ้นมาเสี้ครั้งหนึ่งร้องเหมือนเสียงกวางไม่มีผิดเพลือๆประเดี๋ยวก็เอาอีกเปิบหนึ่งตาอน้นแกเดินร้องเปิบๆอย่างนี้มาร่วมยี่สิบปีแล้วเดี๋ยวนี้แกอายุหกสิบวันวันหนึ่งกระโดดร้องเป็นกวางอยู่หลายครั้งเวลาใครไปถามว่าทำไมแกต้องกระโดดร้องเปิบ ด, ด้วยแกจะตอบไม่ถูกเพราะแกไม่รู้ตัวเลยอย่างอื่นๆแกก็เหมือนคนธรรมดาเลยนาะยทงานทาการได้ตามปกติแต่อย่าให้เผลอก็แล้วกัน เพ้อทีไรกระโดดร้องเปิะออกมาเองทุกทีกลับไปถึงหนองน้ําแห้งบุญคําจะเชื่อในอายทหารค่อยดูแกเป็นคนงานของพรานใหญ่ทํางานอยู่ที่บ้านพักหนองน้ําแห้งนั่นแหละตอนหนุ่มๆ น, นะแกเป็นพรานกวางยิงปลายิงกวางนับเป็นร้อยๆตัวมาแล้วไม่รู้จักเรียนให้ดีก็เลยถูกขววงของกวางเขา่าเออแปลกดีนี่เพิ่งจะรู้เรื่องเดี๋ยวนี้เองชยันร้องออกมาตื่นๆพร้อมกับหัวเราะ ถ้างั้นก็แปลว่าคืนนั้นบุญคําก็ถูกขวงของกระทิงเขาสิใช่แล้วนายเคราะดีที่พรานใหญ่ไปกับบุญคําด้วยแก้ไขไว้ทันไม่งั้นบุญคําอาจเดินตะกุยดินรองโมโมเหมือนอย่างตะอ้นนนันไปแล้วก็ได้อา้าวกระพินเป็นคนยิงไม่ใช่หรือกระทิงตัวนั้นน่ะอดีตนายทหารปืนใหญ่ชวนสนทนาต่อไปอย่างสนใจยิ่งโอกาสว่าง เขามากักจะหาเรื่องคุยกับตาเท่าบุญคําอยู่เสมอเพราะได้ความรู้แปลกๆในเรื่องของป่าฟังแกโมก็สนุกดีโกหกมั่งจริงมั่งไปตามราษาของแกก็ช่วยกันยิงทั้งสองคนและนายตามกันมาตั้งแต่ป่า น, นอกจนกระทั่งมันหลบเข้าไปในหุบหมาหอนแต่นัดสุดท้ายที่ล้มมันได้นะ่ะเป็นของพรานใหญ่ไอ้เปรตนั่ก็พอๆกับไอ้แหวงทีเดียวขยี้พรานก็เรียงมาเจ็ดแปดศพแล้ว ก็พรานใหญ่ยิงอะแล้วทาไมขวงของมันถึงไม่เล่นงานพรานใหญ่เล่าพาไปสิงกับบุญคําได้ไงหรืออย่างงี้มันไม่แน่หรอกนายมันสุดแต่โอกาสที่มันจะเล่นงานคนใดได้สะดวกพรานใหญ่น่ะแข็งแรงสติมั่นคงดีกว่าบุญคําจิตของบุญคําน่ะอ่อนกว่ามันก็เลยเล่นงานบุญคําเข้าหายนี่ถามจริงอะบุญคํา รัพินน่ะเขาเรียนในทางนี้มาบ้างหรือเปล่าวิชาของพวกพรานป่าพื้นบ้านทั้งหลายอย่างที่บุญคําเรียนมานั่นนะทําไมเขาถึงครองความยิ่งใหญ่อยู่ในอาณาจักรป่าได้โดยไม่เคยเพลียงพลังเป็นอะไรเลยล่ะบุญคําถอนใจยาวโคลงหัวช้าชาเรื่องนี้มันพูดยากมากแหละนายทหารบุญคําเองก็อยู่กับแกมานานแล้วยังดูแกไม่ออกจนกระทั่งเดี๋ยวนี้แกไม่เคยแสดงให้บุญคําเห็นสักครั้งเดียว ว่าแกเลื่อมใสในเวทมนต์คาถาหรือบวกไสยศาสตร์แต่ก็ไม่เคยลบหลู่ดูแคลนพวกนายเห็นแกเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรยังไงถึงบุญคำหรือลูกน้องของแกทุกคนก็เห็นแกอย่างนั้นแหละพรานใหญ่น่ะเป็นคนขรึมนิ่งๆิ่งดูยากจริงๆแต่บุญคำเชื่อว่าแกจะต้องศึกษาเรียนรู้มามากทีเดียวเพราะคุณพ่อแกเองก็เป็นพรานใหญ่ครูพรานที่ฝึกแกมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยหลายคนไม่ว่าจะเป็นพม่า กะเรียงหรือพรานไทยแต่ละคนก็ล้วนชั้นอาจารย์ยอดๆทั้งนั้นนอกจากฝีมือแล้วบุญคำเชื่อว่าแกจะต้องมีดีทางไสยศาสตร์ด้วยแน่ๆไม่งั้นก็ไม่อยู่มาได้จนถึงเดี๋ยวนี้หรอกบังเอิญแกเป็นคนเรียนสูงผ่านโลกจเจริญเหมือนอย่างพวกนายมาแล้วก็เลยคงไม่อยากจะพูดถึงเรื่องไสยศาสตร์ชนิดนี้ก็นายลองคิดดูเถอะคนผีข้าวบุญคาเอาออกได้ แต่ตัวบุญคำเองถูกของหรือโดนผีข้าวนายใหญ่ตบชาดเดียวหัวที่มผีออกเลยแล้วแกก็ยิงฟันหัวรอคว้าใบากระท่อมขึ้นมาใส่ปากเคี้ยวหยับหยับความจริงนะมันก็ต้องออกละเพราะมือแกหนักเหลือใจคืนไม่ออกประเดี๋ยวถูกเตะซ้ำผีมันก็กลัวเจ็บเหมือนกันใช่ยันหัวรอชอบใจคุยกับบุญคำก็สนุกอย่างนี้เอง เอ้ยที่กลัวเจ็บนะ่ะเห็นจะเป็นตัวบุญคำซะเองมากกว่าละมัง้งก็ใช่แล้วสินายทหารบุญคำเจ็บผีมันก็ต้องเจ็บด้วยเพราะมันอาศัยอยู่ในตัวบุญคำนี่อีกครั้งนั้นนะผีมันดือ้อพรานใหญ่จะทํำยังไงมันก็ไม่ยอมออกจากตัวบุญคำแกก็เลยให้ไอ้พวกนั้นจับบุญคำมัดไว้เอาแบตเตอรี่รถยนต์ต่อสายทำไฟฟ้าช็อตผีปาบเดียวเท่านั้นละผีออกไม่ทันเลยตั้งแต่นั้นมา ผีมันก็เลยไม่อยากจะมาข้าวบุญคําทําไมเป็นหมอผีอยู่เองแล้วผีข้าวบ่อยนักหรือไงเราอะบ่อยที่สุดเลยนายก็ทําไมจะไม่ข้าละ่ะฐานใหญ่สั่งให้ตัดต้นกระท่อมบ้างกันชาบ้างที่บุญคําแอบปลูกเอาไว้เสเรียบบุดหมดหมูที่บุญคําสูบติดมาตั้งแต่ตอนหนุ่มๆก็ห้ามขาดจับได้ว่าไปแอบสูบที่ไหนเป็นฟ้ากล้องของบุญคําไปเผาไฟทุกที พีที่บุญคําเลี้ยงไว้มันอดข้าวมันก็เลยมาข้าวยังจะเอาไฟฟ้าช็อตซะอีกเฮ้ยอะไรต่ออะไรแกก็ดีสารพัดเลยนายยิงซะกว่าพ่ออีกแต่เรื่องนี้แกไม่ดีจริงๆบุญคําอยากจะหนีไปหลายครั้งแล้วแต่ก็หนีไม่รอดนึกถึงบุญคุณของแกนี่บุญคาการตกเป็นทาสยาเสพติดนะ่ะมันไม่ดีหรอกนะเขารักและเป็นห่วงบุญคา เขาถึงได้พยายามทําให้บุญคําเลิกขาดจ้ะแล้วยังไงเดี๋ยวนี้ยังติดอะไรอยู่อีกหรือเปล่าบุญคําหัวเราะแฮนายทหารฝินกระหมูน่ะเดี๋ยวนี้บุญคําไม่แต่ต้องแล้วพรานใหญ่เอาจริงจะพักเดียวไม่เลิกก็ต้องเลิกแต่ก็ต้องหล่อใบกระท่อมนี่แทนแกไม่ว่าอะไรแล้วแหละเรื่องกระท่อมแกรู้ว่าบุญคําทํางานหนักๆถ้าไม่ได้ไอันี้มาช่วยไว้บ้างก็ทํางานไม่ไหว การสนทนาของทั้งสองสิ้นสุดลงเมื่อมาเรียตะโกนเรียกบุญคำมาชี้ให้มองดูหม้อต้มน้ำบนกองไฟซึ่งบัด น, นี้กำลังส่งไอเดือดพลุง่งตาพรานเท่ารีบพลักไปชายันก็เดินลงจากเนินพัดตรงเข้าไปสมทบกับราพินและพวกพรานพื้นเมืองอื่นๆที่เฝ้าดูการเผาซากไอผีดิบอยู่ในขณะนี้มหาคัมภีมายาวิน กลายเป็นเท่าไปหมดแล้วคงเหลือแต่ซากของมันไตรซึ่งบัดนี้เหลือแต่กระดูกและกำลังถูกไฟกินมอดไหมเข้าไปทุกทีความมืดโรยตัวลงเป็นลำดับเกิดเสยจันขยินและส่างปาช่วยกันโหงฟืนท่อนให ญ, ใหญ่ใส่ประดังเข้าไปจนกระทั่งกองไฟลุกโชตช่วงสว่างสวัยไปหมดพรานใหญ่นั่งสู บ, บุรีอยู่บนหินก้อนหนึ่ง ตาเกรียมกระด้างคู่นั้นจับนิ่งอยู่ที่กองไฟเหมือนจะเข้าผวังคิดเขาไม่รู้สึกตัวว่าชา ย, ยันเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆจนกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งเอ่ยขึ้นว่าจุนเป็นจุนไปหมดแล้วนี่ระพินตื่นจากผวางังเงยหน้าขึ้นดูแล้วยิ้มให้ขืนขืนครับพอมือสนิทก็คงหมดแล้วครับช ย, ยันถอนใจยาวหวังว่าคงจะจบสิ้นทันทีนะ สำหรับความยุ่งยากทั้งหลายที่เราได้รับจากดินแดนผีสิงนี่ยังครับจนกว่าเราจะได้ตัวแงซายและแผนที่เดินทางของเรากลับคืนมาคําตอบของพรานใหญ่ทําให้ชยันคิดขึ้นมาได้จริงสินะว่าแต่เราจะทํำยังไงกันต่อไปล่ะเนี่ยผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันครับแต่อยากจะเชื่อว่าเราควรจะได้ข่าวอะไรจากมันบ้าง ภายหลังเมื่ออะไรต่ออะไรเรียบร้อยลงแล้วแต่ถ้ายังไม่มีอะไรช่วยให้มันกลับคืนมาก็เห็นจะต้องล่า ก, กันต่อไปล่ะในที่สุดราตรีก็ย่างเข้ามาครอบงมป่าโดยสนิทซากของมันไรและคำพีมายาวินสูญสลายกลายเป็นเท่าไปหมดสินส้นสาหรับกริดบริเวณด้ามอันทําด้วยเขาหรือกระดูกสัตว์ก็มอดไหมไปหมดเหลือแต่เนื้อโลหะ ซึ่งปฏิรูปไปจากเดิมจนมีสภาพเท่าๆเๆกับเศษเหล็กอันไร้ค่าชิ้นหนึ่งเชษฐาลงจากที่พักมาตรวจดูสภาพอันมอดไหมเป็นเท่าฐานนั้นเป็นครั้งสุดท้ายด้วยความพอใจและพิงจึงสั่งให้รีไฟลงและปล่อยให้มันคุเป็นฐานเพื่อดับลงเองเมื่อหมดเชือ้อและบอกให้ทุกคนกลับขึ้นที่พักปล่อยมันไว้ย่างนี้แหละครับพรุ่งนี้เราค่อยลงมาตรวจดูอีกครั้ง ถ้าจะเหลือก็เห็นจะเป็นเศษโลหะของกริดเล่มนี้เท่านั้นล่ละครับเขาบอกกองไฟเผาซากรีโรยหมดแสงลงแล้วไฟผิงสำหรับบริเวณเนินที่พักก็สว่างโรดขึ้นแทนที่บัดนี้ทุกขนทุกแห่งมืดมิดพร้อมกับความหนาวเย็นคงสว่างอบอุ่นแต่เฉพาะในที่พักเท่านั้นดารินยังคงนอนสงบนิ่งอยู่ในอาการเดิมไม่มีการเคลื่อนไหวขยับขยืขย่นอย่างใดทั้งสิน้น ตลอดระยะเวลานานนับชั่วโมงที่มาเรียเฝ้าจับตาดูอย่างใกล้ชิดบุญคำออกไปนั่งขัดสมาธิอยู่หน้าที่พักนอกเขตกองไฟจุดธูปขึ้นเจ็ดดอกบริกรรมร่ายมนต์คาถาอะไรของแกอยู่พึมพำรรพักใหญ่ก็ลุกขึ้นกอบทรายหวานโปรยไปรอบๆที่พักนอนในลักษณะวงกลมออกท่าทางแปลกๆ แ, และเปล่งเป็นภาษาอัฏฐคถาสำเนียงพิ ก, กล ซึ่งไม่มีใครเข้าใจได้แล้วก็มาซุดตัวนั่งพนมมือทำเสียงหึมหำอยู่ทางด้านศีรษะซึ่งนอนราบสงบนิ่งอยู่กับนันกมนุษย์วิทยาสาวธรรมมาเรียต้องนั่งกระพริบตาปริบปๆปมองดูแกด้วยความแปลกใจยิ่งยวดคนอื่นๆก็เฝ้าสังเกตดูบุญคำเงียบๆโดยไม่มีใครทักทวงขัดขวางแต่อย่างใดต่อมาอีกครู่ใหญ่ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นพิธีการของแก ถอดผ้าเขามาที่เอามาห่มเฉียงไหลลงมาคาดพุงตามเดิมเดินเข้ามาร่วมวงกินอาหารกับพักพวกพรานพื้นเมืองทุกคนหน้าตาเฉยเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไงหมอผีเหนื่อยมากไหมชยันสกิปถามอดที่จะยาวแกไม่ได้บุญคํายิ้มแห้งๆไม่ตอบว่าอะไรหันไปเคี้ยวเนื้ อ, อย่างตุยตุย เชิดท้าเข้าไปจับต้องตรวจดูอาการของน้องสาวอีกครั้งด้วยความเป็นห่วงพบว่าอุณหภูมิในร่างกายเป็นปกติดีทุกอย่างแต่ชีพจรเต้นอ่อนช้าลงลมหายใจแผ่วบางได้ระดับสม่ำเสมอในลักษณะหลับลึกชายันกับพรานใหญ่ตามเข้ามาดูด้วยเป็นยังไงบ้างชายันถามเปลยเปลยเอื้อมมือมาคลําหน้าผากของเพื่อนสาวบ้างแล้วคลางออกมาอือม ก็ปกติเรียบร้อยดีนี่แต่รู้สึกว่าจะหลับสนิทหวังว่าคงจะไม่กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราหลับไม่รู้ตื่นเหมือนพันธุมว ด, ดีไปอีกคนนึงนะน้อยนอนนิ่งในท่านี้โดยไม่ขยับขยื่นเลยเป็นเวลากว่าสองชั่วโมงแล้วนะคะมาเรียบอกกับทุกคนด้วยอาการพรั่นพรึงวันวิตกเรนลับทดลองเรียกดูก่อนเถอะว่าเขาจะรู้สึกตัวไหม เชฐถามองหน้าอีกสองคนเงียบๆเหมือนจะหารือระพินเองก็นิ่งไปแต่ชายันเป็นคนใจร้อนเสมอไม่มีความลังเลใดๆทั้งสิ้นเขย่าวตัวดารินเบาๆพร้อมกับก้มลงไปกระซิบเรียกข้างหูเขาเรีกอยู่เช่นนั้นเจ็ดปครั้งทมกลางการเฝ้าจับมองอย่างใกล้ชิดของเชิฐถาระพินและมาเรีย ต่อมาทุกคนจึงเห็นราชสกุลสาวกระดิกไหวตัวน้อยๆพร้อมกับเสียงครางอือออฟังไม่ได้สัตว์อยู่ในลำคอดวงตายังปิดอยู่เช่นนั้นคล้ายจะลืมไม่ขึ้นม่านขนตาไหว ร, ริกมีอาการเหมือนจะพยายามเปิดขึ้นมามาเรีย ด, ดึงไหล่ชา ย, ยันออกมาตนเองก้มริมฝีปากลงไปชิดหูของเพื่อนสาวน้อยนี่นี่ฉันเมกําลังเรียกเธออยู่นะ ได้ยินเสียงฉันเรียกไหมใบหน้าอันมีเปลือกตาขยับไหวแต่ลืมไม่ขึ้นนั้นพยักหน้าน้อยๆลมหายใจแรงขึ้นฉันฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อได้นะน้อยเคยฉีดอยู่บ่อยๆถ้าเธอบอกชื่อยาบอกขนาดฉันจะฉีดให้เธอเองบางทีมันจะช่วยให้ดีขึ้นเธอเป็นหมออยู่เองแล้วเธอควรจะรู้นะทั้งที่หลับตาดารินสายศีรษะอีกครั้ง แล้วทุกคนก็โล่งใจขึ้นมาได้เล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงแผ่วเบาของหล่อนตอบคำมาเรียว่าไม่ต้องรอกไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นฉันกินยานอนหลับเอาไว้แน่ใจเหรอว่าเธอไม่ต้องการยาชนิดอื่นใดอีกอ่ะไม่ขอบใจผมคิดว่าปล่อยให้เธอนอนดีกว่าครับอย่ารบกวนอะไรเลย เสียงเห่าๆของพรานใหญ่พูดมาลอยๆมาเรียจัดที่เสม่ใช้หมอนยางรองศีรษะดารินไว้ก้มลงจูบเบาๆที่พวงแก้มกระซิบว่าเอาละ่ะนอนที่รักฉันและพวกเราทุกคนจะภาวนาขอให้เธอตื่นขึ้นอีกครั้งด้วยความปกติดีทุกอย่างขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงคุ้มครองเธอตลอดเวลาหลับ ก่อนที่แมมสาวจะขยับตัวถอยห่างออกมาดารินก็จับมือหล่อนไว้ริมฝีปากพรเยอเหมือนจะพูดคำใดออกมามาเรียกกมลงไปใกล้อีกครั้งเมฉันอยู่นี่แล้วคอยปลุกเรียกชั้นไว้ทุกๆ4สี่ชั่วโมงนะหลอนสั่งด้วยเสียงเบาที่สุดตรวจอุณหภูมิและชีพจรของชันไว้ด้วยปลอดอยู่ในกระเป๋าวเวชพัน ถ้าความร้อนขึ้นสูงใช้ยาในหลอดสีน้ำตาลหมายเลขรหัสสี่ฉีดให้ฉันด้วยถ้ามันลดต่ำเกินไปชีพจรอ่อนผิดปกติใช้ยาในหลอดสีแดงรหัสสองจำเลขที่ติดกับสลักยาวให้ดีนะอย่าหยิบผิดวางใจเธอที่รักฉันจะปฏิบัติตามที่เธอบอกอย่างเคร่งครัดที่สุดแมมสาวกระซิบอ่อนโยน จูบปลอนอีกครั้งแล้วถอยห่างออกมาอธิบายให้อีกสามคนทราบว่าดารินสั่งไว้เช่นไรชัยันยิ้มออกมาได้นี่แสดงว่าสติของเขายังพร้อมมูลครบถ้วนและรอบคอบพอที่จะสั่งให้ดูแลอาการของตนเองได้ไม่เสียแรงที่เกิดมาเป็นหมอสั่งยาให้ตัวเองไว้ล่วงหน้าแบบนี้ก็ยังชั่วหน่อยไม่งั้นฉุกเฉินขึ้นมาพวกเราจะทาอะไรไม่ถูกเลย รพินไครวันยิ้มเล่นเลี้ยนขัดมาเปรย์เปย์ว่ายากินก็ไม่กละรนักหรอกอย่างน้อยเรายังพอดูออกว่าเป็นยาอะไรแต่ยาฉีดนี่เสียงมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในมือของหมอจําเป็นเพราะตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันยาอะไรกันแน่คนไข้รอจะให้รักษาอาจกลายเป็นถูกฆาตกรรมไปก็ได้นั่นสิผมก็ไม่ค่อยปลอดโปร่งใจอยู่เหมือนกันนะ กรณีที่น้อยฝากให้เมชีดยาประเดี๋ยก็ได้ซวยเท่านั้นแหละเชษฐารีบสือมาโดยเร็วและชยันก็เพิ่งจะนึกขึ้นมาได้มาเรียมไม่เข้าใจว่าทั้งสามพูดกันว่ายังไงจึงถามขึ้นชยันก็บอกข้อที่พากันเป็นห่วงให้ทราบถ้าไม่แน่ใจกลัวว่าฉันจะจำผิดเอาเป็นว่าก่อนฉีดเอาย้ายเขาดูถามเจ้าตัวเขาสกก่อนแล้วกันเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง มาเรียว่าเรายังทายอาการของคนไข้ไม่ได้นะถ้าขณะนั้นคนไข้หมดสติพูดอะไรกันไม่รู้เรื่องจะถามได้ยังไงหรืออาจเลอะเลือนชี้ผิดชี้ถูกก็ได้ผลก็คือการเสี่ยงอย่างไร้กาดพอกันยาฉีดแต่มันอันตรายมากกว่ายากินนะคุณควรจะเอายาที่เตรียมฉีดเหล่านั้นไปซักซ้อมถามคุณหญิงซะในตอนที่สติดีเดี๋ยวนี้ก่อนดีกว่าย้ําถามไม่แน่ใจอีกครั้งว่า ยาอะไรจะให้ฉีดปริมาณเท่าไรในสถานการณ์ไหนจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นในเวลาฉุกเฉินเพียงแค่บอกกันคร่าวๆอย่างตะกี้นะ่ะมันไม่ปลอดภัยหรอกหยิบลอดยาออกมาให้ดูแล้วถามกันชัดๆเลยว่าใช่หรือไม่ใช่จอมพรลแนะนำมาด้วยเสียงเครียดๆมาเรียมองหน้ายิ้มออกมานิดนึงชนิดที่ไม่มีใครเข้าใจความหมายในรอยยิ้มนั้นได้นอกจากระพินเท่านั้นที่รู้ว่ามันเป็นอาการเยาะ หล่อนไม่ได้โตเถียงอะไรอีกเดินไปฉวยหีบเวชพันธ์ตั้งหีบเดินก็ไปหาดารินอีกครั้งกระพินก้าวตามเข้าไปติดๆเพื่อต้องการรู้เห็นอย่างใกล้ชิดด้วยมาเรียชำเลืองมองด้วยหางตานี่ช่างเป็นห่วงเสียจริงนะไพยวันทำไมกลัฉันจะเอายาตายฉีดให้น้อยกระมาังแม่สาวเลือดร้อนกระซิบถามหยันหยันระหว่างที่เดินเข้าไปด้วยกัน ไม่กลัวในข้อนั้นหรอกเมแต่กลัวในความรู้เท่าไม่ถึงการใช่มากกว่าระพินตอบพ้นหวนนี่แต่ฉันฉีดยาให้น้อยแล้วบังเอิญเขามีอันเป็นไปเช่ไนไงคุณคงฉีดเนื้อฉันออกเป็นชิ้นๆเลยสินะเขายิ้มให้สีหน้าและแววตาอ่อนโยนลงเมผมรู้ในเจตนาดีของคุณนะไม่ได้คิดอะไรในแง่อกุศลเลยแม้แต่นิดเดียวเพียงแต่อยากจะเตือนให้คุณรบอบคอบขึ้นกนเท่านั้นแหละ มารียตวัดค้อ น, นิดหนึ่งแต่ใบหน้าแช่มชื่นขึ้นดีเหมือนกันที่ตามเข้ามาด้วยจะได้เป็นพยานฉันจะถามน้อยแน่ชัดออกไปเลยว่ายาอะไรบ้างที่เขาต้องการให้ฉันฉีดและคุณจะได้เห็นอยู่ด้วยคิดซะว่าเข้ามาช่วยคุณจํายาไว้กันแล้วกันว่าแต่คุณฉีดยาเป็นแน่เหรออา้าถ้าไม่ไว้ใจคุณจะฉีดเองก็ได้นี่ดีเหมือนกันฉันจะได้หมดหน้าที่รับผิดชอบ ผมถามว่าคุณน่ะเคยฉีดยามาก่อนหรือเปล่าสเตเกนก็เคยสอนฉันไว้การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อนะ่ะมันก็ไม่ได้ยากเย็นจนถึงขั้นต้องทําปริญญาหรอกและฉันก็ฉีดมานับร้อยๆเข็มละเพราะความจําเป็นในการใช้ชีวิตอยู่ในป่าทั้งฉีดให้ตัวเองแล้วก็ฉีดคนอื่นพรานใหญ่พยักหน้าเอาละถ้านั้นก็พอเบาใจได้ชื่อถาก็รอบคอบมากทีเดียวในกรณีนี้ เขาตามเข้ามาอีกคนหนึ่งเพื่อขอรับทราบไว้ด้วยว่ายาอะไรบ้างที่ดารินกําหนดไว้ให้มารีอาฉีดให้ตนเองในกรณีที่เกิดอาการหนักลงแพทย์ผู้ซึ่งบัตรนี้กลายเป็นคน่ายไปแล้วถูกรบกวนปลุกขึ้นมาอีกครั้งเพื่อขอสอบยืนยันในเรื่องนี้รนงวงเงียมีอาการมึนงงอยู่พักใหญ่แล้วก็ชี้ให้ทราบจนรพินและเชฐิฐามั่นใจว่าจะไม่มีการเกิดการผิดพลาดขึ้นได้ คืนนี้นอกจากเวียนยามตามปกติแล้วพวกเราเห็นจะต้องผลัดกันอยู่เวณนคนละระยะเพื่อเฝ้าดูอาการของน้อยด้วยละ่ะจะให้เมเ์เมาตลอดรายการนั้ไม่ได้หรอกเพราะอาจเผลอหลับไปได้ชยันพูดกับเชษฐถาน้อยก็สั่งไว้ยังไงให้คอยเช็คทุกๆ4สี่ชั่วโมงไม่ใช่เหรอใช่ถ้างั้นก็ผลัดกันเฝ้าเอากันแค่สามคนฉันแกแล้วก็เม เห็นจะพอมั้งรพีเน่าเหนื่อยหนักกว่าทุกคนคืนนี้ก็พักสักเถอะดีเหมือนกันว่าแล้วชยันก็กวักมือเรียกมาเรียเข้ามาเพื่อบอกให้ทราบถึงการผลัดเวรช่วงแรกนี้เชษฐายังไม่ง่วงเกินไปนักผิดกับชยันและมาเรียซึ่งหนังตาหนักอึง้งจึงขอรับไรถัดไปจึงเป็นของชยันและช่วงสุดท้ายก่อนสว่างจะเป็นของมาเรียทุกผลัด จะมีระยะเวลาห่างกันสี่ชั่วโมงไม่กลัวอะไรหรอกกลัวแต่ว่าเกิดยามปลอดทุกคนเผลอม อ, อีไปหมดพอตื่นขึ้นมาน้อยหายไปซะและ้วเหมือนคืนนั้นอีกอ่ะชยันกระสิบอาการของอดีตนายทหารปืนใหญ่ไม่ไว้วางใจต่อสถานการณ์ใดๆทั้งสิน้นลงได้ระวังตัวเตรียมพร้อมกันล่วงหน้าแบบนี้เหตุการณ์ชนิดนั้นคงเกิดขึ้นไว้ได้หรอก หรือถ้ามันจะเกิดขึ้นก็จะต้องเห็นกันออกไปคาตาทีเดียวเอาล่ะแกะกะเมไปนอนเอาแรงได้แล้วสองคนเข้าประจําที่นอนโดยแยกกันขนาบดารินไว้คนละข้างความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียทําให้หลับไปในทันทีที่หลังแตะถึงพื้นเชิฐางัดกล้องยาเส้นขึ้นมาจุดสู่กวาดสายตาสํารวจไปรอบๆกองไฟที่พัก เห็นพวกพรานพื้นเมืองจับกลุ่มนั่งนอนคุยกันอยู่พื้พรมห่างออกไปยังชายเนินนอกกองไฟประมาณ29ร่างพระยูแกร่งเกรงของจอมพรานยืนอยู่ที่นั่นสงบนิ่งหันหลังให้อาการเหมือนจะทอดมองลงไปยังแนวป่าริมทานเบื้องล่างอันถูกคลุมด้วยความมืดมิดในขณะนี้ราชสะกุลหนุ่มใหญ่สาวเท้าช้าๆตามเข้าไปหยุดยืนอยู่ข้างๆ วางมือลงบนไหลระพินสะดุ้งเพราะไม่ทันรู้สึกตัวมาก่อนหันมายิ้มให้กำลังคิดอะไรอยู่เหรอผู้กองน้ำเสียงที่ถามนั้นกังวานชัดเจนกอบไปด้วยแววรักสนิทไว้วางใจยิ่งพลางก็มองฝ่าความมืดตามสายตาที่มือมองอยู่ก่อนของระพินลงไปเบื้องล่างเห็นกองไฟที่เผาซากมันไรบัดนี้โทมลงเหลือฐานระอุเรือง นานๆจะลุกแดงว่าบขึ้นสักครั้งเมื่อลมพัดผ่านมาเปล่าครับยืนดูที่กองไฟนั่นมันจะดับสนิทใช่เลยก็ไม่ดับกรุนแดงอยู่เรื่อยผมกลัวว่าถาลมพัดแรงขึ้นและเรานอนกันโดยไม่รู้ตัวมันอาจไหม้ลุกลามกลายเป็นไฟป่าได้กำลังคิดอยู่ว่าจะลงไปดับจะ ใ, ให้สนิทดีไหมเชิาจ้องดูที่กองไฟแล้วเปลี่ยนมาจับที่ใบหน้าพรานใหญ่อีกครั้ง คุณรอบครอบเสมอนะรพินแต่ผมคิดว่ามันยังไม่เป็นเหตุผลเพียงพอหรอกในการที่คุณจะอ้างเพื่อหาโอกาสลงไปข้างล่างนั่นในเวลาเช่นนี้ในเวลากลางคืนอากาศที่นี่มันชื้นจัดมากรอบด้านกองไฟก็ล้วนแล้วแต่เป็นไปด้วยหินป่าที่ห่างออกไปก็เป็นป่าดิบไม่มีต้นไม้แห้งพอที่จะติดไฟขึ้นโดยง่ายเอาล่ะบอกผมตามตรงสิคุณจะลงไปที่นั่นทาไม ระพินทรไรวันคอแข็งเขาอาจปกปิดอำพรางใครต่อใครได้แต่ยากนักที่จะผ่านความสังเกตอันละเอียดที่ท่วนของราชสกุลหนุ่มใหญ่ผู้เป็นนายจ้างไปได้เชษดถาฉลาดสุ ข, ขุมและมีสายตาที่เฉียบไวมากตาผมจะฝาดหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเมื่อสักครู่นี้เองรู้สึกว่าจะเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งมายืนอยู่ข้างกองไฟนะ่ะตอนนั้น ล, ลมพัด ผ่านแดงโชนขึ้นพอดีทำให้มีแสงสว่างขึ้นบางเอินไม่ได้ถือไฟฉายติดมืออยู่ด้วยก็เลยทำให้แน่ใจอะไรไม่ได้ในที่สุดเขาก็จำต้องบอกความจริงด้วยเสียงอันแผ่วต่ำเชิ้าขมวดคิ้วนิดนึงขณะนั้นบางเอินเขาถือไฟฉายติดมืออยู่พอดีจึงส่งไปให้จอมพนรับมาถือไว้เฉยๆแต่ยังไม่ได้ฉายออกไปในขณะ น, นี้คงยืนจ้องผ่านความมืดมนลงไปตามเดิม ต่างคนต่างจมอยู่ในความเงียบอยู่เป็นครู่ใหญ่เฉษฐาเป็นคนประเภทใจเย็นและปากหนักอันเป็นคุณสมบัติชั้นเยี่ยมของนักผจญภัยในป่าเขาไม่มีอาการกระตกกระตากหรือเอ่ยปากสักถามอะไรโดยไม่จำเป็นเลยนอกจากจะใช้สายตาและประสาทสัมผัสเพื่อค้นหาคำถามด้วยตนเองคุณลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่รพินไพรวันและพรานป่าทุกคนนับถือเป็นอย่างยิ่ง บางทีผมอาจตาฝาดไปเองก็ได้ครับในที่สุดพรานใหญ่ก็เอ่ยแผ่วเบาต่อมาสัตว์หรืออะไรคล้ายๆแง้สายครับหัวหน้าคณะตาสว่างขึ้นในทันทีนั้นให้ลองใช้ไฟดูซิระพินกดสวิตไฟฉายพุ่งปราดเป็นลำสว่างจ้าลงไปจากลำแสงอันขาวนวลของแบตเตอรี่แห้งแปดก้อน ภาพปันคุ้มครืออยู่ในเงามืดปรากฏชัดขึ้นและเห็นกองไฟซึ่งบัดนี้กลายเป็นกองขี้เถ่าขาวโพลนส่งควันลอยระเหยขึ้นมาบางๆและแก่งโขดหินรอบด้านในบริเวณใกล้เคียงตำแหน่งนั้นเงียบเชียบเป็นดุษณีไม่มีว่แววของอะไรทางสิน้นพระใหญ่ยยกราดลำไฟฉายตรวจไปรอบๆในรัศมีที่ห่างไกลออกไปอีกจนกระทั่งปาตรง ตลอดจนกระทั่งป่าด้านตรงข้ามของฝั่งลำธารแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากก้อนหินพุ่มไม้และแนวเนินอันสูงสูงต่ำต่ำผมคงตาฝาดไปจริงๆแล้วครับก็พึมพำดับไฟลงพร้อมกับซึกตัวลงนั่งบนรากไม้อดีตท่านทูตทหารบกย่อนกายลงด้วยที่แง่หินเบื้องหลังเล็กน้อยเห็นอยู่นานไหมชั่วครู่เดียวครับ ตอนที่ฐานในกองถูกลมพัดสว่างโชนขึ้นเพราะมันหรี่แสงโซมลงลรอบรอบกองไฟนั่นก็มืดลงตามเดิมผมพยายามเฝ้าดูอยู่สักพักใหญ่ก่อนที่คุณชายจะเข้ามาแต่ฐานในกองมันก็ไม่ได้สว่างขึ้นอีกจะกลับเข้าไปเอาไฟฉายก็เกรงว่าจะเสียโอกาสก็เลยรอสังเกตเฉยๆอยู่ที่นี่แต่เราส่องไปดูแล้วก็ไม่เห็นอะไรนี่ครับมันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างนะคุณอาจตาฝาดไปก็ได้ เรื่องแง่ทรายอาจจะเข้ามายืนอยู่ที่นั่นจริงก็ได้แล้วหลบไปซะก่อนที่คุณจะฉายไฟแต่ถ้าเป็นแง่ทายจริงอะ่ะบางทีมันอาจจะกลับมาหาเราก็ได้มันอาจมีสํานึกที่กลับคืนมาเป็นตัวของมันเองพร้อมมูลแล้วและพร้อมที่จะกลับเข้ามาร่วมกับเราเหมือนเดิมแต่ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเข้ามาหาเราโดยวิธีใดให้ปลอดภัยที่สุดเพราะถ้าสุมสี่ซุมห้าอาจถูกยิงซะก่อนและนั่นจึงน่าจะเป็นเหตุผลในข้อที่ว่า เหตุใดมันถึงได้เข้ามาเรียบๆ เ, เคียงๆรับรับล่ อ, ลอๆอยู่อย่างนี้เมื่อร่างของมันไรและคำภิอุบาทนั่นกลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าเหตุร้ายทั้งหลายของฝ่ายเราน่าจะกลับมาเป็นดีแล้วมันหมายถึงสภาพอันวิกฤตวิการของแง่ทรายซึ่งควรจะหายไปด้วยทาไมเราไม่ลงไปดูด้วยกันเดี๋ยวนี้ล่ะถ้าเป็นแง่ทรายจริงเราอาจได้ตัวมันภายในคืนนี้ก็ได้คุณชายอนุญาตให้ผมลงไปดูหรอครับ มันหมายถึงว่าผมต้องลงไปด้วยไงตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วผมจะไม่ปล่อยให้คุณทำอะไรโดดเดี่ยวตามลำพังเป็นอันขาดยอมพรานไม่กล่าวอะไรอีกลุกขึ้นยืนดีดนิ้วเรียกบุญคำขึ้นมาแล้วสั่งว่านี่บุญคำฉันกับนายใหญ่จะลงไปที่กองไฟข้างล่างนั้นสักครู่นะบุญคากับทุกคนอยู่บนนี้แหละ ตาพรานเท่ามองดูทั้งสองคนด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยนายกับนายใหญ่จะลงไปที่นั่นทําไมไม่มีอะไรหรอกเชิดท้าตัดบุตรยกมือขึ้นตบไหล่บุญคําจะลงไปตรวจดูกองไฟมันยังไม่ดับสนิทเดี๋ยวเกิดลมแรงพัดลูกไฟไปติดกิ่งไม้เกิดไม้ปาเกิดไม้ป่ า, ปาขึ้นเท่านั้นประเดี๋ยวจะกลับขึ้นมาเรียกว่าบอกไว้รู้เท่านั้นแหละกล่าวจบ ก็หันมาพยักหน้ากับระพนแล้วทั้งสองก็เดินลงมาจากที่พักตรงเข้าไปยังกองไฟที่กำลังจะมอดดับท่ามกลางความมืดหนาวของราตรีอย่างเงียบเงียบพรานใหญ่ไม่ได้ใช้ไฟฉายเลยคงเดินคลำกันลงมาโดยสายตาที่ชินกับความมืดและมีเป้าหมายสังเกตจากฐานที่พอจะเหลืออยู่ริบรีจนกระทั่งถึงตำแหน่งเผาซากมันไร อันเป็นบริเวณที่ราบโล่งพอประมาณในระหว่างวงล้อมของหมู่หินก้อนเตี้ยๆเหนือฝั่งทานขึ้นมาเล็กน้อยระพินยืนสงบนิ่งอยู่ริมกองไฟชั่วขณะหนึ่งเหมือนจะสดับฟังเสียงใดๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อมายืนอยู่ณที่นี้แสงเรืองจากกองไฟที่กําลังจำมอดช่วยส่องให้เห็นอะไรในละแวกใกล้เคียงได้รางๆและเมื่อเลียวกลับขึ้นไปมองอยังที่พักอันตั้งอยู่บนเนิน ก็ยิ่งมองเห็นแสงไฟที่กองไว้ได้อย่างถนัดชัดเจนตัดกับฉากความมืดที่เป็นผนังกั้นสีดำสนิทถ้าแง่ไซมายืนอยู่ที่นี่จริงมันจะต้องมองเห็นคุณอย่างถนัดก่อนที่คุณจะเห็นมันซะด้วยซ้ำล่ะเชิดากฤษิศขณะที่เหลยวกลับไปมองอยังตำแหน่งที่เขาและระพินยืนพูดกันอยู่ก่อนที่จะตัดสินใจเดินลงมาจอมพรานฉายไฟเข้าไปกลางกองที่เท่า มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างประมาณสี่เมตรบัดนี้กองผุนพนเนินอยู่ด้วยเท่าขาวมัวผสมไปกับฐานแดงบางส่วนซึ่งอยู่ข้างใต้มองไม่เห็นซากของไอผีดิบพันปีซะแล้วอาจเหลือเพียงกระดูกบางส่วนซึ่งบัดนี้ก็ถูกเท่าฐานเหล่านั้นกลบไว้เบื้องบนและคงจะระอุเ ก, กรียมเป็นเท่าไปหมดสิน้นก่อนที่กองไฟจะดับสนิทลงควันบางๆยังคงกลุ่นอยู่เป็นระยะ คราใดที่ลมพัดมาเศษเท้าก็ปลิวกระจัดกระจายว่อนไปทั่วเสียงนกฮูกซึ่งไม่ได้ยินกันมาเป็นเวลานานร้องสำเนียงต่ำเครือดังแววลงมาจากยอดไม้สูงแห่งใดแห่งหนึ่งจากป่าทึบฝั่งตรงข้ามต่อมาก็มีเสียงกรีดแหลมของบางลอยตามลมหาทิศทางที่มาไม่ได้ถนัด เชี่ยวชยจับสังเกตดูอาการของระพินตลอดเวลาทุกอิริยาบถการเคลื่อนไหวในป่าและในสถานการณ์เช่นนี้ของจอมพรานเป็นสิ่งที่เขาจะต้องศึกษาอย่างยิ่งเขาไม่อาจที่จะอ่านรหัสป่าได้แน่นอนแม่นยำนักแต่แน่ใจว่าพอจะอ่านความลี้ลับเหล่านั้นได้อีกทอดหนึ่งหากคอยเฝ้าสังเกตปฏิกิริยาของพรานใหญ่ไว้ให้ดีการหยุดนิ่งเงียบงันไปอย่างกะทันหันของระพิน การเคลื่อนไหวทุกระยะหรือแม้แต่การกวาดตามองไปยังสิ่งใดมันล้วนแล้วแต่มีความหมายทั้งสิ้นเพียงแต่เขาจะอ่านออกหรือไม่เท่านั้นและเขาก็รู้นิสัยของคนคนนี้ดีนับตั้งแต่คบหาสมาคมร่วมทางกันแต่ต้นแล้วกละพินไพวันมักจะไม่พูดไม่อธิบายชี้แจงอะไรโดยไม่จาเป็นทั้งสิ้นทุกคนจะมารู้เอาก็ต่อเมื่อเหตุการณ์นั้น เผชิญหน้าถึงตัวซะแล้วและเมื่อภาวะเช่นนั้นมาถึงบุรุษผู้นี้ก็จะแก้ไขคลี่คลายนำคณะทุกคนให้หลีกพ้นอันต ร, รายไปได้เสมอแม้จะโดยลักษณะที่ใจหายใจควม่มอย่างไรก็ตามเชืถายอมรับว่าเขานับถือและพอใจในคุณสมบัติประจำตัวข้อนี้ของจอมพรานเพราะมันพิสูจน์ให้เห็นถึงว่าความสามารถโดยการกระทาของเขา มีเหนือกว่าในด้านคำพูดในชีวิตเดินป่าสมัครเล่นของสุภาพบุรุษแห่งราชสกุลพบแต่พรานช่างพูดขี้โวมาสนักต่อนักแบบเดียวกับตาเท่าบุญคำเมื่อมาพบเข้ากับพรานผู้สำรวมต่อถ้อยคำวาจาจนแทบจะดูเป็นเงียบขึ้มชายเยน็นแต่ปรากฏมีฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์เชฐดาก็บอกกับตนเองว่า เขาต้องการพรานนำทางประเภทหลังนี้อย่างยิ่งเมื่อแรกๆ ก, ก็ออกจังหวดหงิดอึดอัดใจอยู่มากเหมือนกันเพราะการเฉยสะดูจนดูเป็นปกปิดอําพรางแต่เมื่อรู้อุปนิสัยใจคอรู้ถึงแก่นแท้จากการร่วมเป็นร่วมตายที่เนิ่นานานออกไปเชิดาก็เข้าใจได้เองว่าคนลักษณะเช่นนี้มีความหมายและคุณค่าในงานสูงส่งเพียงใดขณะนี้ก็เช่นกัน ท่านหัวหน้าคณะก็ได้แต่อ่านสีหน้าอาการของเขาเท่านั้นแต่ก็ยังอ่านไม่ออกระพินฉายไฟห่างออกมารอบนอกกองไฟในลักษณะคร่าวๆเหมือนจะไม่สนใจค้นหาอะไรแน่นอนลงไปนักพร้อมกับออกเดินช้าๆวนไปรอบๆแต่ขนาดนั้นเองลำไฟที่โชบไปมากับพื้นของเขาก็จัดนิ่งไปยังริมนอกของกองขี้เถ้าด้านใต้ เทถาครั้งแรกที่ก็แทบจะผ่านความสนใจแต่พอมองตามก็ต้องอุทานออกมาด้วยความตื่นเต้นประหลาดใจเอ๊ที่ว่าตาฝาดนะเห็นจะไม่ฝาดใช่แล้วละกระมังพร้อมกับพูดหัวหน้าคณะปราดตรงเข้าไปโดยเร็วฉวยไฟฉายจากกระพินมาถือไว้เองแล้วก้มลงส่องสำรวจในระยะใกล้ทางเงยหน้าขึ้นมองดูพรานใหญ่ซึ่งก้าวเข้ามาหยุดยืนอยู่ข้างๆกล่าวต่อมาว่า นี่ยังไง ร, รอยเตินใครผมไม่คิดว่าจะเป็นรอยเตีนของพวกเรานะเพราะมันย่ำอยู่บนกองขี้เถ้าริ ม, ร, มริมกองไฟนี่แสดงว่าเข้ามาเดินอยู่ภายหลังจากไฟโซมลงแล้วตอนที่พวกเราอยู่ที่นี่กองไฟยังลุกโชดไม่มีใครเดินเข้าไปเหยียบที่เถ้าได้หรอกอีกฝ่ายหนึ่งสงบนิ่งตาจับอยู่ที่รอยเตีนซึ่งปรากฏอยู่บนกองขี้เถ้าริมรัศมีรอบนอกของกองไฟใหญ่ อย่างกลุ่นคิดรอยเหล่านั้นเดินเข้ามาออกด้านนอกและคล้ายๆจะหยุดยืนนิ่งวันหนึ่งจะเข้ามาสำรวจดูอะไรในกองไฟที่ยังเหลือคุ ก, กรุ่นอยู่ตรงกลางแล้วก็มีรอย9้าวถอยกลับปรากฏจากขี้เท้าที่เหยียบติดฝ่าท้าไว้ประทับไปตามพื้นดินสลับไปกับโกรวดลูกกรังหายไปตามซอกโมหินแนวริมฝั่งทาน เชืถาดฉายไฟไล่รอยนั้นไปตามพื้นในช่วงสั้นๆใกล้เคียงกับกองไฟพอขยับจะเดินตามรอยห่างออกไปอีกก็ต้องชะ ง, งักเพราะพรานใหญ่จับแขนไว้อยากครับไม่มีประโยชน์หรอกเรารู้แต่เพียงว่ามันดอดเข้ามาที่นี่แล้วก็ผลักไปแล้วทางนี้เมื่อหยกๆยกก่อนที่เราจะลงมาถึงนี้เองการเล่นเอาเถอเจ้าล่อกับไอ้คนลึกลับคนนี้เนะี่ยไม่ช่วยเราได้ประโยชน์อะไรทั้งสิ้น นอกจากเสีอเวลาแปล่ายกเว้นแต่ว่ามันจะมีเจตนากลับเข้ามาหาเราเองก็แปลว่าเมื่อตะกี้ที่คุณบอกผมว่าเห็นมันคุณก็เห็นจริงๆนั่นเองตอนนั้นผมก็ยังไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวนี้จากหลักฐานนี่ก็เป็นนั้นว่าตาผมไม่ได้หลอกตัวเองเฉิดฐาสองไฟฉายไปตามโขดหินและสมทุมพุ่มไม้เบื้องหน้าในรัศมีที่ห่างออกไป เหมือนพยายามจะค้นหาร่องรอยต่อไปให้ได้ความจริงตอนนี้แงแซายก็ไม่น่าจะอยู่ห่างจากเรามากนักนะมันดอดเข้ามาทำไมกันนี้อาจจะเข้ามาดูกองไฟที่เราเผามันไรแล้วกระมังครับปัญหามันมีอยู่ว่าขณะนี้นะ่งแง่รายมีสติสัมปชัญญะกลับคืนมาเป็นตัวของตัวเองแล้วหรือยังคุณทายถูกไหมพ่านใหญ่เม้มริมฝีปาก ใบตาเคร่งเครียดของเขาเต็มไปด้วยปริศนาอันไม่อาจขบแตกผมไม่กล้าทายอะไรทั้งสิ้นครับเกี่ยวกับไอ้มนุษย์แสงจะลึกลับคนนี้แต่รู้ว่ามันยังไม่ประสงค์จะ ก, กลับคืนมาร่วมกับพวกเรามิฉะนั้นมันก็น่าจะเข้ามาหาพวกเราแล้วล่ะไม่หลบหน้าไปอย่างนี้หรอกครับลักษณะอาการของมันยังเหมือนคนผีสิงเดิมๆนั่นแหละจะเป็นอย่างที่ผมบอกคุณเมื่อกี้ได้ไหม ยังไงครับคือแง่ชายเจตนาจะกลับมาหาเรา่นแหละแต่ยังลังเลไม่แน่ใจอยู่ว่าเราจะต้อนรับหรือไม่มีเหตุผลอะไรที่แง่ชายจะต้องคิดเช่นนั้นล่ะครับถ้าหากว่าเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นความวิปริตอาเพศของมันที่แล้วมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมันไม่รู้สึกตัวเลยถ้าเป็นอย่างคุณชายว่าก็ต้องแปลว่ามันรู้ตัวในการกระทาของมันอยู่ตลอดเวลาสิครับ กล่าวจบเขาก็ร้องเรียกฝ่าความมืดออกไปเบาๆว่าแง่ายถ้าแกรู้สึกตัวแล้วว่าแกคือใครและได้ยินเสียงของฉันก็จงก้าวออกมาเถิดพวกเรายินดีที่จะได้แกกลับคืนมาร่วมด้วยตามเดิมและไม่เอาโทษใดๆทั้งสิ้นเสียงของจอมพรานดังกังวานไปในความมืดและเงียบสงัดรอบดาเฉทฐาก็ช่วยเรียกออกไปอีกคนหนึ่ง ด้วยคำพูดปลอบโยนชักชวนให้เจ้าอาดีตคนใช้ปรากฏตัวออกมาโดยดีเงียบเชียบไม่มีซ้าสําเนียงใดๆแววตอบมาเลยนอกจากลมดึกที่กันโชคใบไม้ดังเสียสีกันอยู่แสกๆสเป็นระยะระยะเชยดถามองหน้าระพินแล้วยักไหล่ามเมื่อก่อนเถอะกลับขึ้นไปพักผ่อนซะก่อนดีกว่าสาหรับคืนนี้ พรุ่งนี้ค่อยวางแผนกันใหม่อย่างไรก็ตามผมมีความเชื่อมั่นว่าเราจะต้องได้ตัวมันกลับคืนมาในอนาคตใกล้ๆนี่แหละแต่อยากจะขอเตือนล่วงหน้านะผู้กองอะไรเหรอครับนายจ้างผู้สูงสักดิ์ยิ้มกับเขาอย่างรักสนิทถ้าเราพบตัวได้มันกลับคืนมาคุณอย่ารุนแรงอะไรกับมันนะจอมพลานหัวเราะเสียงแฝงในลาคอ ก็ไม่มีเหตุผลอะไรนี่ครับที่ผมจะต้องรุนแรงกระแง่ทรายกลับใดก็ตามที่มันยอมกลับเข้ามาร่วมทางกับเราพร้อมทั้งเอาแผนที่ซึ่งมันจิกไปด้วยนั่นมาคืนให้ในสภาพที่เรียบร้อยเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่มันผีเข้าบ้าข้างเตลิดเปิดเปิงแยกจากคณะเราออกไปแผนที่ของผมฉบับนั้นที่ติดตัวมันไปด้วย จะยังอยู่ดีหรือว่าตกหล่นสูญหายเชื่อที่ไหนแล้วหรือไม่ถ้าปราศ จ, จากแผนที่ของมังมหานรธาฉบักนั้นเสแล้วผมก็จนปัญญาจริงๆครับไม่สามารถ น, นําทางไปยังจุดหมายที่คุณชายต้องการได้ยังไงก็คิดในแง่ดีไว้ก่อนแล้วกันว่ามันจะต้องอยู่และเราก็ต้องได้คืนมาในสภาพเรียบร้อยพร้อมกับตัวมันครับผมก็ภาวนาขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับ ดเสีเวลาเดินออกนอกเส้นทางกันมามนานแล้วปัญหาและความยุ่งยากต่างๆที่มันเผชิญหน้าคุกคามเราจนแทบจะทำให้เราลืมซะอย่างสนิทแล้วว่าที่เราออกเดินทางมานีเนี่มีวัตถุประสงค์อะไรแล้วเขาก็ชวนเชิดถาย้อนกลับขึ้นไปบนที่พักซึ่งบัด น, นี้พักพวกอื่นๆนอนหลับกันไปหมดแล้วนอกจากบุญคาซึ่งรับหน้าที่ เฝ้ายามเวรแรกหัวหน้าคณะบอกให้เขาทราบถึงเวรยามซึ่งกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับการเฝ้าดูแลอาการของดารินซึ่งผลัดกันคนละสีชั่วโมงระหว่างเชษฐาชายยันและมาเรียเพียงสามคนแล้วสั่งว่าสำหรับคุณนะผมต้องการให้พักผ่อนไม่ต้องกังวลอะไรหรอกนะถ้ามีอะไรหนักหนาพวกเราจะปลูกเองระพินรับคาโดยดีเดินไปพูดอะไรกระ บ, บุนคาอีกสองสามค ส่องไฟตรวจดูบริเวณที่พักอย่างที่ท่วนตามนิสัยเคยชินแล้วเข้าไปหาที่เอ็นกายแต่แล้วก็หยุดยืนชะงักลังเลอยู่ทางด้านปลายเท้าของบุคคลทั้งสามซึ่งนอนอยู่ก่อนแล้วด้วยอาการช่างใจความรู้สึกประหลาดพิพักพิพ่่พนก็พลันเกิดวูบขึ้นมาในปัจจุบันนั้นดารินวราริธนอนนิ่งเหมือนซาดอันตราศจากวิญญาณอยู่ในระหว่างการนอนเบียดขนาบ ของอีกสองคนชยันทางด้านขวาและมาเรียฮอฟมันด้านซ้ายตัวเขาจะเลือกนอนทางด้านไหนเหนือผ้าใบผืนใหญ่ที่ปูไว้จับเป็นที่นอนร่วมกันในบรรดาบุคคลชั้นเจ้านายทั้งหลายยกเว้นจากคนป่วยผู้นอนกลางแล้วทั้งสองคนที่ขนาบข้างอยู่ก็มีอาการแสดงว่าหลับสนิท ต, ตัวเขาเองยามนี้ก็มีความรู้สึกเหมือนจะล้มพลอยและลืมโลกไป ด้วยความอ่อนเพลียและเหียโหยที่สุดในชีวิตแต่ก็ยังมีสำนึกพอที่จะบอกกับตนเองได้ว่าเพื่อความปลอดภัยสำหรับตนเองแล้วควรจะเลือกนอนชิดทางด้านช ย, ยันเอาไว้ดีกว่าพยันตรายทุกชนิดจากป่าจอมพรานผู้ยิ่งยงเช่นเขาสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันไว้ได้ทั้งสิน้นแต่อันตรายจากอารมณ์เปลอยอันดุร้ายดีเดือดของแม่ม้ายสาวเลือดปารีเซียนผู้นี้ สุดที่จะยับยั้งสกัดกั้นไว้ได้เขาไม่ต้องการจะถูกล่าอีกแล้วพิงย้ายไปทางด้านชัยยันวางไรเฟิลแล้วเอนตัวลงนอนพร้อมกับหนังตาถ่วงหนักเปิดไม่ขึ้นในความรู้สึกอันเลือนลางห่างไกลตัวเองออกไปทุกขณะด้วยอำนาจแห่งนิทรารมสำเนีจอคล้ายๆกับว่าเชตฐาได้เข้ามาใกล้ที่นอนอีกครั้งทางด้านศีศักด มีเสียงพูดพึมพำกับใครคนหนึ่งซึ่งคงจะเป็นบุญคําผู้เข้ามายืนอยู่ใกล้ๆด้วยจากนั้นก็มีเสียงฝีเท้าเดินห่างออกไปความเงียบก็เข้ามาแทนที่ได้ยินแต่เสียงไฟกินฟืนปะทุเพียผะอยู่ในกองคล้าวผสมไปกับรีตริงลองในอันเป็นดุริยางพนาและหยดน้ำค้างที่หยาดกระทบในไพรอยู่เบาะ แล้วเขาก็เคลิมแต่แล้วก่อนที่จะหลับสนิทไปนั่นเองก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งด้วยความตกใจขาและแขนหนักอึง้งของคนที่นอนอยู่ข้างๆเขากายกอดขึ้นมากลางลำตัวอย่างถนัดทนันีมือสักๆควานคล้ยคลึงเคล้นอยู่บนหน้าอกซึ่งมีแต่กระดูกและกล้ามเนื้ออันแขงเกร็งของเขาพร้อมกัน งอันสากไปด้วยหนวดเคราวที่ขึ้นเป็นเส้นแข็งราวกับแรงก็ซอกซอนเคลียเข้ามาที่ใบหน้าด้านข้างชัยยันอนอันไกรผู้ซึ่งตาทั้งสองข้างหลับสนิทระพินไครวันนอนตัวแข็งทื่ลืมตาโพลงชิบหายอีกละสิเขาตะโกนอยู่ในใจแทบจะกั้นใจตายถะรู้แล้วรู้รอด ชัยยันไม่กอดกายเปล่าร่างกายบางส่วนของอดีตนายทหารปืนใหญ่ยังขยับโยกไหวอีสิแม่อีสิเสียงกระซิบแปกพระาพรำอยู่ที่ริมหูของเขามันเป็นเสียงที่ออกมาจากอาการละเมอเพ้อพกของคนที่หลับสนิทและฝันผิดสานคุณชัยยันครับคุณชัยยัน เขาขย่าเรียบเบาๆด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบรรยายได้ค่อยๆดันแขนของชั ย, ยันออกจากตัวแต่คนที่กำลังหลับกลับมีอาการตัวเกรงรัดแน่นเข้ามาอีกเมยจ dm good จอมพรานใจหายว่าไแม้จะเป็นเพียงเสียงละเมออู้อี e, สลับไปกับอาการคลางงึมงำแทบฟังไม่ได้สัก เขาก็จับประโยคที่หลุดออกมาเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนที่สุดเหมือนใครเอากระชายมาเหลาปลายแหลมจิ้มพริ ก, กรเกลือแล้วแย่ทะลวงเข้าไปคว้านอยู่ในหูเสีวปราบคันเยเยอเข้าไปจนถึงขั่วหัวใจจนบอกไม่ถูกอะไรที่ชา ย, ยันละเมือออกมาว่าเวอรีไทยและอะไรที่มันแดมกูดคิดแล้วมันเสหยิวสถานให้ปันปูนไปหมด เอาใ่าใแล้วล่ะนี่ที่คิดคิดสงสัยไว้นั่นมันกลายเป็นของแน่ซะยิ่งกว่าแน่เช่นนั้นกระมังเพราะตามปกติทั่วไปแล้วคนที่จะละำเมอรหรือกรรมาการใดออกมาโดยไม่รู้สึกตัวในขณนะหลับมันจอมเป็นการสะท้อนออกถึงพฤติการซึ่งเคยผ่านมาก่อนแล้วนั่นเองเวอรี่ไทยแดมกู o ด ระพินตะโกนทวนวลีนั่นอยู่ในใจด้วยดวงตาที่ลืมสว่างโพลงอาการง่วงงวงเงียปรารสนาการไปชั่วขณะใจเต้นระทึกแรงแล้วยิ่งใจหายใจควม่มแทบจะช็อกขึ้นมาอีกเหมือนนึกขึ้นมาได้ว่าชายันเองขนาดนี้ก็นอนเบียดชิดอยู่กับราชสกุลสาวดารินอดีตนายทหารหนุ่มละมือรันจวนเปะปะมาทั้งเขานะ่ะไม่ไกลห ร, รอก แต่ถ้าบาังเอิญไปลเมื่ออาการเช่นนี้เขากระดารินล่ะเจประคุณเอ้ยมันหวาดเสียวนักแล้วพ่อยอดชายนายชัยยันเท่าแล้วเท่ารอดก็ยังไม่รู้สึกตัวตื่นจากห้วงฝันอันเดแเดวอยู่นั่นสทัทีนี่จะเกณฑ์ให้นายราพินไพรวันกลายเป็นแม่สาวผมทองผู้ระอุสว่างอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นไปแล้วเหรอประเดี๋ยวคลัสูงประเดี๋ยวคลัต่า ไปปะอยู่เช่นนั้นหนีเสือปักจรเะเข้แท้ๆเลี่ยงมาทางด้านมาเรียแล้วก็มาเจอทีเด็ดเอาทางด้านชัยันเข้าจนได้ไม่อยากจะทำลายความสุขของคนกำลังฝันแต่ต้องกระเดียมกระดองใจเหลือจะพันนาได้ชัยันก็เลยต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยอาการปลุกแบบมือผู้ใช้ด้วยกันพอรู้สึกสานึกตัวขึ้นมา พบว่าตัวเองกำลังกอดรัดกระดูกทั้งแท่งอยู่ชายันก็บัดเสีบักบถลึงตัวเองจนแทบจะกระโดดขึ้นเพนผู้ ก, กองครับคุณชายันแพทจะกำลังฝันไา้ละมัง้งเขาก็ซิบถามด้วยอาการปกติชายันหน้าร้อนผ่ารีบละล่าละลักโทษทีผู้กองโทษๆทโทษจริงๆโถ่รียำแท้ประโยคหลังเขาอุทานสาบแช่งตัวเอง ใลิกตัวนอนหงายตรงโดยเร็วครับครับไม่เป็นไรครับสิงช ย, ยันหัวรอกแก้เก้อออกมาไม่สนิทนะักพูดอ้อมแอมกำลังฝันว่าฟัดอยู่กับไอ้ผีดิบมันไรอ่ะครับไอ้ผีดิบมันไรมันเวรีกไทยแล้วก็แดมกู้จริงๆครับช ย, ยันสะดุ้งโยงตายฮะนี่คุณเข้ามานอนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ก็เพิ่งไม่กี่อีกใจนี่ละครับพอเอล์หลังลงก็เลยกลายเป็นมันไรของคุณชยันไปอดีตในทหารปืนใหญ่กระดากจนแทบแสกแผ่นดินรู้สึกตัวทันทีว่าในระหว่างหลับตนได้ละเมอแสดงอาการและพูดอะไรออกไปบ้างแต่สาคัญที่อุตสาห์ปกปิดความลับมันมาถูกตีแผ่เอาอีตรงนี้เอง อะไรก็ไม่สำคัญที่ผ่าไปลเมือกระพินไฟวันเข้าอย่างถนัดทนีคิดและชัยันก็สาดแช่งตนเองขมอยู่ในใจผมผมกำลังหลับสนิทไม่รู้สึกตัวเลยตอนที่คุณเข้ามานอนตรงนี้พร้อมพูดชัยันผงกหัวขึ้นดูแถวการนอนอก็ทำไมคุณไม่นอนทางด้านโน้นล่ะแต่ไหนแต่ไรมาแล้วอ่ะผมชอบนอนใกล้ๆคุณชัยัน เห็นย้ายมาทางนี้ก็เลยย้ายตามมาบ้างอ่ะชยันเกาหัววางสีหน้าไม่ถูกบนอะไรพึมอยู่ในลำคอความจริงตามปกติผมก็นอนอยู่ทางด้านโน้นนั่นแหละแต่คืนนี้เชษฐาเขารับอาสาเฝ้ายามเวรแรกผมก็เลยย้ายมานอนขนาบน้อยสักทางนี้กันไว้เผื่อน้อยเคลื่อนไหวยังไงก็จะได้รู้สึกตัวทันให้เมขนาบด้านโน้น คุณก็เกิดตามมนนอนทางด้านซ้ายของผมจะด้วยที่เวนแท้คุณชยันถนัดทางด้านซ้ายเหรอครับชายันยิ้มแห้งๆกระซิบเบาที่สุดนี่ถามจริงเหะอผู้กองผมละมือบ้าบอคอแตกอะไรกับคุณไปบ้างฝันอะไรก็ละมือออกมาอย่างนั้นแหละครับอย่าสนใจอะไรเลยครับนอนเถอะเอ๊นชักไม่เขาท่าแฮ่ชายันว่า หันไปชำระลือมองดูดารินทางด้านขวามือของตนซึ่งนอนหายใจรวยๆอยู่คุณเลื่อนมานอนทางด้านขวาผมดีกว่าให้ผมออกไปนอนด้านนอกเองแล้วกันการชวนเปลี่ยนที่ก็ย่อมหมายถึงว่าไลาร่รพินให้ไปนอนติดกะดารินมันพิสูจน์ให้เห็นถึงความคิดของชายยันซึ่งคงต้องรู้สึกตัวและเกรงอยู่มากว่าตอนอาจจะลเะมอออกระดารินเข้าบ้างโดยที่ตนเองก็ไม่เจตนา และนั่นก็คือสำนึกเยี่ยงสุภาพบุรุษอันเป็นธรรมชาติดีงามของชยันอันนันตรายซึ่งรพินคาระวะยกย่องอยู่ในใจก็โดยเหตุผลเพียงแค่กลัวว่าชายันจะละเมอล่วงเกินดารินแล้วเขาก็ไล่ที่เข้าไปขวางกั้นไว้แทนนั่นก็ไม่ใช่วิสัยของคนที่รู้ฐานะตนเองสงบเสงี่ยมเตรียมตนและมักถ่อมอย่างเขาจะพึงปฏิบัต ก็ไม่มีหน้าที่อะไรโดยชอบทมถูกต้องที่จะปฏิบัติเช่นนี้แม้จะโดยการยินยอมของชัยันเองก็ตามไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนที่เสีเวลาหรอกครับคุณชัยันนอนตรงนั้นแหละดีแล้วล่ะครับชัยันพาซื่อโดยคิดว่าพรานใหญ่คงจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนวันเกรงอับอั้นอยู่ถอนใจเฮือกผมไม่ชอบการขี้ละเมอของตัวเองเลยนะก่อนนี้ก็ไม่ได้เปอย่างงี้ ผมคลัว่าจะละเมอต่อยอาน้อยเข่าสิระพินอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาในเงามืดตอบอยู่ในใจว่าละเมอชกต่อยนะ่ะคงไม่กะไรนักหรอกอย่าเล่นละเมอระพินอย่างเมื่อตะ ก, กี้ก็แล้วกันคนถูกละเมอจะเสียหายหลายล้านนอนตรงนั้นน่ะดีแล้วละครับแต่ถ้าจะละเมอแล้วก็หันมาละเมอทางผมกันแล้วกันอย่าละเมอไปทางคุณหญิงนะครับ ชัยยันนอนกระสับกระส่ายอยู่ครู่ก็เลิกผ้าห่มออกลุกขึ้นนั่งจอมพลานกแกล้งทำเป็นนอนหลับตาเฉยซะคิดว่าจะไม่สนใจอะไรอีกแต่แล้วก็ต้องลืมตาขึ้นอีกครั้งเมื่อเห็นอดีตนายทหารปืนใหญ่ลุกขึ้นจากที่นอนเดินไปนั่งจุดบุหรี่สูบคนเดียวเงียบเงียบริมกองไฟปลายเทา้ขาขณะนั้นเชษฐากำลังนั่งคุยกระ บ, บุนคำเบาๆห่างไกลออกไปอีกด้านหนึ่งและไม่ได้หันมาสนใจห็น รู้สึกว่าชัยันจะมีอาการว่าวุ่นใจบางอย่างเขาจึงลุกขึ้นตามเข้าไปนั่งใกล้ ย, ยิ้มให้ทำไมไม่นอนล่ะครับเขาถามอย่างอ่อนโยนชยันอัดควันบุหรีลึกยกมือขึ้นลูกใบหน้าพลางยิ้มตอบจิตจืดผมนอนไม่หลับใช่แล้วละสิผู้กองไม่ต้องห่วงผมหรอกคุณไม่นอนเหรอเดี๋ยวผมก็จะรับเบนต่อจากเชดาเขาแล้วละ่ะยังเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงนะครับ ก่อนจะถึงเวรคุณชัยยันนะ่ะนอนพักซะก่อนดีกว่าครับชัยยันสั่นศีรษะสายตาจับนิ่งมามีแววกังวลอัดอั้นใจเร้นลับแฝงอยู่ในดวงตาทั้งคู่เดี๋ยวขอนั่งสุบุรีสักตัวหนึ่งก่อนแล้วกันถ้างั้นผมนั่งเป็นเพื่อนด้วยนะครับระพินกล่าวอย่างเอาใจพร้อมกับหัวเราะหยิบท่อนฟืนที่ไหม้ลามออกมานอกกองโยนเข้าไปในกองไฟ และสุนฟืนเพิ่มเติมเข้าไปอีกชัยยันมองดูเขาเงียบเงียบอยู่เช่นนั้นครูใหญ่มีอาการเหมือนอยากจะพูดอะไรออกมาแต่ก็อึกอักลังเลอยู่ระพินอ่านออกถามต่อมาว่ารู้สึกว่าคุณชัยยันเป็นกังวลอะไรอยู่มีอะไรหรอครับเออระพินในที่สุดอีกฝ่ายหนึ่งก็เอ่ยขึ้นแผ่วต่ำ ถึงแม้ว่าจะเพิ่งรู้จักคบหาสมาคมกันมาเมื่อไม่นานนี้นะก็ตามนะแต่ผมรู้สึกคล้ายกับว่าได้รู้จักคุ้นเคยกับคุณมาทั้งชีวิตทีเดียวและเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้านะเราก็คงจะต้องคบกันอย่างรักสนิทเสมอด้วยเพื่อนตายเช่นนี้ตลอดไปคุณรู้สึกเช่นนั้นไหมพระใหญ่ก้มศีรษะลงอย่างสุภาพและถ่อมเป็นเกียรติยศสําหรับผมอย่างยิ่งทีเดียวครับที่คุณชัยยันมีความรู้สึกเช่นนี้ นอกเหนือจากงานในหน้าที่ลูกจ้างแล้วความรู้สึกส่วนตัวของผมก็รักและนับถือคุณชัยยันอย่างยิ่งถูกแล้วครับถ้าคุณชัยยันไม่รังเกียจพรานป่าผู้ต่ำต้อยอย่างผมเราก็คงจะคบกันได้เยี่ยงมิตรแท้ในอนาคตข้างหน้าโดยไม่คำนึงถึงว่าเราจะต้องมาเดินลำบากร่วมกันเช่นนี้หรือไม่คุณทาตัวเกินไปละไม่มีอะไรสักอย่างในตัวคุณที่ผมเห็นว่าต่ำต้อย แต่ถึงแม้ว่าคุณจะต่ำต้อยจริงไงนะนั่นก็ไม่เป็นอุปสรรคในมิตรภาพของเรานะคนอย่างผมคบใครครบด้วยใจไม่ได้คบด้วยฐานะหรือสิ่งแวดล้อมจอมปลอมอื่นๆ น, นะขอบคุณครับผมก็พอจะทราบว่าท่าแท้ของคุณชัยยันเป็นยังไงและในข้อนี้ผมก็ขอคาระวะครับดีมากที่คุณเข้าใจผมเอาละเพื่อนยากขอถามอะไรหน่อยเฮะ ถามตามภาษาเพื่อนผู้ชายด้วยกันอย่างตรงไปตรงมาเลยนะระพินไทวันเงยขึ้นศพตาชา ย, ยันอย่างเปิดเผยยิ้มกว้างใบหน้าอันเกรียมกล้า น, นั้นเป็นมันระยับอยู่ในแสงไฟและดูบึกบึนคมสันและมีสเสน่ห์เร้นลึกซึ่งแม้จะเป็นผู้ชายด้วยกันช ย, ยันก็ยอมรับว่าติดใจและถูกชะตามาแต่ต้นแล้วมันมีทั้งความแข็งกระด้างเหี่ยมเกรียมและความอ่อนโยนกาลุน บะบนกันอยู่จนแยกไม่ออกคนคนนี้ไม่ได้มีแผง อ, อกอันกว้างใหญ่อุดมไปด้วยมัดกล้ามอย่างชายงามที่โลกนิยมกันทั้งหลายไม่ได้มีผิวหน้าอันอ่อนเยาว์เปลง่งปลงั่งเลือดฝาดเหมือนคนผู้อยู่ดีกินดีในนครธรรมอันเต็มได้วยแสงสีทวัษ ง, งาราศีของเขามันอยู่ที่ความเป็นชายชาติชาตรีโดยแทตลอดจนทุกส่วนสัตว์ของเรือนกายแก่งเก่ง และทุกอิริยาบทการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นคุณลักษณะของตนเองโดยเฉพาะชนิดที่ชัยยันไม่เคยพบเห็นใครละไมเหมือนมาก่อนสง่างามประทับใจนักไม่ว่าขนาดที่เดินอ่านแกะรอยหรืออาการที่วาดปืนประทับไหลเข้าหาเป้าหมายพร้อมทั้งลั่นไกลออกไปหรือแม้แต่อาการยืนงงคุ้นคิดเพื่ออ่านรหัสป่า ต่หนึ่งว่าธรรมชาติจะสร้างบุคลิกพิเศษที่ไม่เหมือนใครมาให้เขาฉะนนั้นเป็นท่าทางที่ดูด้วยสายตาสามัญแล้วก็ไม่เห็นว่ามันจะโก้เก๋อะไรเลยแต่เมื่อพิดไปแล้วก่อให้เกิดสเสน่ห์ประทับใจอย่างประหลาดรพินคุณคุ้นเคยกับเมมาก่อนผมผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงบ้างในสายตาของคุณ อย่าคิดว่าคุณหรือผมกำลังนินทาผู้หญิงแต่คิดซะว่าเพื่อนของคุณกำลังขอรับการปรึกษาก็แล้วกันระพินไพรวันยิ้มนิดนึงอย่างทันความในท่านในด้านทั่วๆวไปแล้วก็ดีมากครับอย่าพูดในลักษณะบ่ายเบียงหรือสงวนถ้อยคำสิกุลคุณเข้าใจความหมายในคำถามของผมนี่ถ้าจะหมายถึงอารมณ์เพศก็เป็นอย่างที่คุณชายยันเห็นนั่นแหละครับ คืออิสระเสรีเกินไปหน่อยเรากับผู้ชายที่เจ้าชู้จัดจัดคนหนึ่งชยันเอื้อมมือมาจับข้อมือเขาไว้แล้วลักษณะที่เรียกกันว่าจับมือถามก็มีมาว่าถามจริงอะเคยมีอะไรกับคุณมาก่อนหรือเปล่าผมหมายถึงว่าเป็นเมีย